จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้มาพบกันเพื่อมาสนทนาธรรมถามตอบคำถามเกี่ยกาวกับแนการปฏิบัติทานสีลภาวนาใครมีคำถามอยากจะถาม ก, ก็เชิญเข้ามาถามได้เราจะเริ่มไปที่เด็กๆก่อนอ่า คนคุณชานิสาเอนเคน้องคุณนะนคุณ<น>อยู่วันนี้เออเชิญพุดได้นัคุ ณ, คณสวัสดีครับพระอาจารย์ไหมลูกค่ะพระอาจารย์คะวันนี้นะคุณอ่านหนังสืออยู่ค่ะตะกี้บอกว่าจะมาสวัสดีครับพระอาจารย์ตอนนี้ติดหนังสือมาไม่มาแล้วค่ะพระอาจารย์ก็กราบแทนค่ะโอเค ค่ะวันนี้สวายพิปัติ <Yes. S 2> าอาจารย์ด้วยค่ะสาธุค่ะโอเคไม่มีอะไรนะค่ะนี่อะไรคะพระอาจารย์นี่ก็ไปที่คุณจำแม่กับแจที่จำแม่อันนี้แจที่หายไปแนละ้วอบนมำสศการพระอาจารย์ครับวันนี้ัดตี่ป่วยครับป่วยวนะันที่แล้วแม่ป่วยวันนี้ลูกป่วยครับแตจตี้เป็นไข้หวัดใหญ่ครับ อตอนนี้ระบาดนี่ในขา่าวค่ะอ่ามีอะไรวันนี้วันนี้จะส่งกันบ้านคนเดียวค่ะของเราเครับเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้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 คือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆเสร็จไปเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถอนวันห น, นึ่งต้องหลายๆครัง้ง้วยนะไม่ใช่วันละรังเดียวคิดบ่อยๆมองเห็นร่างกายใครของเราของใครก็มองว่าไปเที่ยงค่ะร่างกายเรามีอุปรกรณ์อะไรบ้างมีผมขนเล็บ ฟันหนังเนื้อเอ็มกระดูกเย่ในกระดูกน้ำหัวใจตับถังพืชไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะน้ำดีน้ำเสลดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเนียน้ํามันข้นน้ําตาน้ํามันเหลวน้ําลายน้ํามูกน้ําไข่ข้อน้ํามูกน้ํามูดน้ําไขข้อน้ํามูกน้ําลายน้ํามันเหลวน้ําตาลน้ํามันข้น น้ำเหนื่อน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำสะ เ, เล็ด น, น้ำดีแก่นในสมองศีรษะอาหารเก่าอาหารใหม่ไส้น้อยไส้ใหญ่ปอดไตผังผืดตับหัวใจม้ำแก่นในกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟันเด็ดผลผลเอ่อธรรมะดีนะน้ําใจของเราทุกคนถ้าดูดีๆแล้วก็ไม่ช่วยให้รักเลยนะครับ ถ้าดูไม่ดีก็สบายงานครับดูได้ดูศพสองชนิดแล้วค่ะสมัครแล้วครับคือศพชนิดแรกก็คือศพที่พองครับศพที่พองครับไปดูที่ไหนนะดูในกายสังสารสิบค่ะดูได้แล้วทุกนไม่กลัวเลยเออไม่กลัวแล้วครับอืมชนิดที่สอง ชนิดที่สองคือแบบที่ผิวคล้ำแล้วก็มีน้ําไหลออกมาครับอนี่คืออนาคนตของร่างกายเวลาตายไปแล้วถ้าไม่ได้เผาไม่ได้ฝังปล่อยทิ้งไว้เดี่ยวมันก็จะเน่า อ, อีก อ, อย่าไปยึดติดกับร่างกายต้องเตรียมตัวทิ้งมันน ะ, ะมันเป็นไม่ใช่ตัวเราของเราครับ เป็นคนรับใช้เราตอนนี้ใช้ใชมันได้ก็เอาอมาใช้ในการปฏิบัติธรรมดีที่สุดคือการปฏิบัติธรรมอย่างอื่นก็ทำเท่าที่จำเป็นทำมากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องพออยู่ได้ก็พอไม่ต้องไปหวังให้ร่รรรำรวยเสียเวลาเปล่าๆโอเคนะคุณแม่มีอะไบา หนก็จเจริญ ม, มรณาสติทุกวันค่ะคิดถึงความตายทุกวันคิดว่าเดี๋ยวดินน้โมกไฟมันก็จะแยกจากกันนะไรไปคิตใ จ, จก็สกงบพอไดอคิดบ่อยๆใหม่ๆมันอาจจะไม่อยากจะคิดแต่พอคิดไปเรื่อยๆ้วมันก็เริ่มชินแล้วก็จะเริ่มออออยอมรับได้ยันได้ไม่หลงยันได้ไม่ประมาทนะ อย่าประมาทในเอความความแข็งแรงของร่างกายอย่าประมาทกับความไม่เจ็บไข้ของร่างกายอย่าไปประมาทกับความเป็นของร่างกายมันเป็นของของปลอมในวันในวันหนึ่งมันก็จะต้องกลายเป็นความแก่ความเจ็บความตายไยแต่ก็ดูแลร่างกายเท่าที่เราจะดูแลได้นะ แต่ไม่ถึงกับเป็นแบบแบบสุดๆเก็ความพอดีนะอยู่แล้ว<ช>พอมันพอมันอยู่ได้ก็พอ<ช>โอเคนะไม่มีอะไรนะ ไ, ไนะไม่มีน่มีะครเจ้าขอบคุณพระเจ้าครัอบอันนี้คุณหมอพิเชนเลยอันนี้เด็กไม่น้อยอกล่าวแมสการพระอาจารย์ครับขอความเมตตาพระอาจารย์ให้อธิบาย การพัฒนาจิตใจครับอาจารย์การพัฒนาจิตใจก็คือการภาวนาคำว่าภาวนาก็คือการพัฒนาและการทำให้เกิดขึ้นจิตตะภาวนาก็คือการพัฒนาจิตใจทำให้สิ่งที่ไม่มีให้เกิดขึ้นสิ่งที่ต้องพัฒนาจิตใจก็มีอยู่สองอย่างคือความสงบและความฉลาดความสง บ, บเราเรียกว่าสมถภาวนา ความฉลาดั้นเรียกว่าวิปัสสนาภาวนา <c oughs> นี่คืองานงานพัฒนาจิตใจเป็นงานสำคัญที่สุดในบรรดา ง, งานทั้งหลายที่เราทำกันนี่งานทางร่างกายมันก็เป็นงานแบบชั่วข่าวร่างกายทำยังไงให้มันดีขนาดไหนเดี๋ยวถึงเวลามันก็ต้องตายไป แล้วสิ่งที่เราทำให้กับร่างกายมันก็หมดไปแต่เราก็ยังจาเป็นต้องอาศัยร่างกายอยู่แล้วก็ดูแลมันไปเพื่อให้จะได้เอาร่างกายนี้มาพัฒนาจิตใจอีกทีเราเพราะเรายังต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการฟังเทศฟังธรรมการปฏิบัติธรรมบางส่วนก็ยังต้องใช้ร่างกายอยู่ แถ้าเราพัฒนาไปถึงขั้นจิตตาภาวนาแนละ้วก็ไม่สามารถก็ไม่มีร่างกายแล้วก็สามารถพัฒนาจิตใจได้พการพัฒนาจิตใจใช้คุณธรรมสองตัวก็คือสติกับปัญญาเบื้องต้นก็นพัฒนาให้จิตสงบก่อนให้จิตมีความสุขในตัวเองก่อนเพราะว่าจะได้ ปล่อยวางความสุขที่จิตไป ห, หนุ่มไปยึดไปติดไปอาศัยร่างกายผ่อนทางร่างกายวราะมันเป็นความสุขแบบชั่วคราวเดี๋ยวเวลาที่มีปัญหาร่างกายมีปัญหาไม่สามารถหาความสุขได้ก็จะสร้างความทุกข์ให้กับใจงั้นให้เปลี่ยนวิธีหาความสุขที่ที่ไม่ดอไม่ดอสอายร่างกายอาศัยสติอาศัยปัญญา ความสงบด้วยสติเอถ้าจิตสงบจิตก็จะมีความสุขก็สามารถใช้ความสุขนี้แทนความสุขผ่านทางร่างกายได้ไม่ต้องไปหาลาบยศสรรเสริญไม่ต้องหารูปเสียงกิริยามาให้ความสุขเ <c oughs> <c oughs> มือม่อเมื่อได้ขั้นต้นคือดสมถะภาวนาะนั้นสติโยนธรรมใจสงบเป็นสมาธิขึ้นมาแล้ว ก็ทําให้ชํานาญทําให้สามารถเช่าได้ทุกเวลาที่เราต้องการและได้อยู่ตั้งอยู่นานๆเนี่ยว่าเรามีความชํานาญทางสมาธิแล้วท่านต่อไปเราก็มาศึกษาทางปัญญาทางวิปัสสนาเพื่อให้เกิดสนใจให้ฉลาดเหมือนทรงเหมือนส่งใจไปเรียนหนังสือเหมือนส่งเด็กไปเรียนหนังสือออใจก็เป็นเหมือนเด็ก ยังไม่ฉลาดยังไม่รู้เรื่องของร่างกายยังไม่รู้เรื่องของเวทนายังไม่รู้เรื่องของจิตว่าเป็นอย่างไรยังไม่รู้เรื่องของราบยศเสารเสรินและรูปเสียงกิดแล้วว่าเป็นอย่างไรสอนสอนสอนจิตให้รู้ว่าของเหานี้เป็นของไม่เที่ยงมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไม่ว่าจะเป็นอะไรราบยศเสารเสริญสุขมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไป ถ้าไปเพิ่งมันเวลามันดับก็จะทำให้ทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปเพิ่งมันเพราะเราสามารถมีความสุขจากการทำใจให้เราให้สงบได้ให้หยุดความอยากที่จะไปหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้ถ้าหยุดความอยากได้ใจก็จะไม่ทุกข์กับกับสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นนามยเสรรสน์รูปสิ่งกิริลด หรือร่างกายหรือเวทนาหรือจิตล้วนเป็นตายรักทั้งหมดไม่ต้องไปใช้สิ่งเหล่านี้มาให้ความสุขกับเราไม่ต้องอาศัยร่างกายไม่ต้องอาศัยความสุขเวทนาไม่ต้องหาความสุขทางอารมณ์ของจิตให้มาหาความสุขอยากการทำใจให้เฉยๆไม่มีความอยาก พอไม่มีความอยาเหัวใจก็จะสงบตลอดเวลามีความสุขตลอดเวลาไม่มีความจำเป็นจะต้องมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปอันนี้คือการพัฒนาจิตใจที่เป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นภารกิจหลักของทางวัตถธศาสนาแต่ก็อำมาศัยใการปฏิบัติอย่างอื่นผพ้ให้สนับสนุนต่อสายการทำบุญทำทานการรักษาศีลก่อน ก็ที่จะได้ตัดการอาศัยเงนทองไปซื้อความสุขต่างๆแล้วก็หลังงามการกระทํำบาปที่จะทําให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาใหความทุกข์ตามมาเมื่อทำทานได้รักษาศีลห้ได้ก็จะไปภาวนาได้ภาวนาได้ก็จะได้สมัตาภาวนาแล้วก็วิปัสสนาภาวนา ได้สมาธิแล้วก็ได้ปัญญาพอได้สมาธิได้ปัญญาก็ได้วิมุตติอดพ้นอยากความทุกข์ต้องปวดไม่ต้องทุกข์อีกต่อไปไม่ต้องกลับมาเกิดยากเจ็บตายต่อไปอ น, นี้่เรื่องของการพัฒนาครับเข้าใจมากขึ้นมากเลยครับอาจารย์ <Okay. S 2> ขอเคุณครับอาจารย์ อันนี้พัฒนาไปถึงไหนแล้วก็น้อมนำคำสั่งสอนพระอาจารย์ไปปฏิบัติครับก็สัมมาทพวนาก็ทำทุกวันทุกครั้งที่มีโอกาสแล้วก็เข้าสมาธิได้ได้เกือบทุกครั้งแต่บางครั้งก็เข้าได้สั้นบางครั้งก็เข้าได้ลึกแต่ก็ทางด้านปัญญาก็มันศึกษาธรรมะของพระอาจารย์ฟังเจศฟังธรรมทุกวันติดตามเฟซบุ๊กพระอาจารย์ทุกวัน แล้วก็รักษาศีลแปดแต่ก็ได้ยังไม่ครบกับอาจารย์ยั ง, ยงขาดข้อหกกับข้อที่แปดครับก็ได้หมดแล้วครับ<ม>ก็ยังต้งองค่อยๆน้องนำไปปฏิบัติครับรออ<ะ>่างกายมันอายุมากแล้วมันก็อาจจะต้องทนุทนุถนอมมันหน่อยนอนมันพืนแข็งๆไปเล้วมันก็นอนไม่หลับ <c oughs> เดือบหลังสร้างสร้างก็อาการเจ็บไข้ในป่วยให้กับร่างกายก็หาพวกบางๆก็ได้กับอาจารย์น้องนำไปปฏิบัติครับขอบคุณครับทางหน้าบยุน์สนเสริมทางวิเศษเหตุแล้วก็ก็ตัดไปกับอาจารย์ไม่หวังใจที่จะร่ำรวยหรืออะไรแล้วนะพออยู่พออยู่พอกินก็พอแล้ว อ่าไปก็้าอะไรไปไม่ได้น้อมนบัสิี่บัชยครูอาจารย์เค <Okay. S 2> กับขอบคุณครับอ่าถึงคุณที่ที่มาอย่างที่มาอย่างดอนเมืองกราบนมัสการศาลาอาจารย์อ่าวันนี้ไม่มีคําถามค่ะแต่ว่าหนูอ่านั่งสมาธิแล้วก็ถือสิศีล8ทุกวันอย่างค่ขัด เหมือนเดิมค่ะยังไม่ลดละเนี่ยยังค่ะต้องรอินวันเสาค่ะไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ลำบากตอนที่ทำงานต้องต้องพักเที่ยงแล้วกินช้าไป ห, หน่อยไม่เป็นไรใช่ไหมหนี่ไหนูก่อนเที่ยงตลอดค่ะพระอาจารย์หนูรีบไม่อยากผิดศีลค่ะอ่าถามมาโดยกินข้าวก่อนเที่ยงได้ได้ค่ะอืมก็ดี <c oughs> หนังฟังเพลงก็ไม่ดูดูหนังฟังเพลงไม่ดูไม่ได้ดูค่ะแม่ฟังธรร ม, มะพระอาจารย์ครับรู้สึกเป็นยังไงจิตใจดีขึ้นมไหมดีขึ้นค่ะสงบแล้วก็นิ่งขึ้นค่ะถ้าทำไร้ก็ทําไปเรื่อยๆออกพรรษาก็ทําต่อได้นะไม่มีข้อห้ามได้ค่ะพระอาจารย์จะพิจารณาเพิ่มเติมค่ะอของพวกนี้เป็นทรัพย์ทรัพย์อันประเสริฐ ที่จะพาเราไปสู่พระนิพพานในที่สุดโอเคพ okay. <ท>าทุกไปที่ป ร, รึกาศาตราาร์ชายน้านกลับมาบ้านแล้วนะมาแล้วค่ะพระอาจารย์มาฟังธรรมกับปฏิบัติตลอดอดีไม่มีอะไรนะไม่มีอะค่ะไปเรื่อยๆโอเคเข้าใจหลักการปฏิบัติ สมรรถภาพิปัสนะค่ะค่ะ<ม>ก็ปฏิบัติไปจนตายอ่ะประมุขสังโยชนกายะเทติอ่า<ม>ก็ ก, ก็พอได้เพราะว่าข้อเขา่าอีช่วงที่ผ่านมาที่ไปอ่ะค่ะอาจารย์ปัญ<ม>หารเรื่องเขามาตลอด<ม>แล้วก็ทำแล้วทำเอมไอไอแล้วมันเอ็นข้อเข่าข า, ขาทั้งสองข้าง<ม>แตกใชแบบเป็นนั่งเอา แล้วก็ที่ฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกแบบพอฟังที่ที่ดูผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเฉยเฉยไม่ไม่รู้สึกอะไรแต่ว่ามีความรู้สึกว่ามันเราทํางานพวกนี้มาเนะคะประจอมันก็เลยแบบเหมือนรู้แต่ถ้าแบบอย่างบอกเป็นมะเร็งเนี่ยมันโอเคมอันนั้นมากกว่ามันใกล้กับความตายมากกว่าแต่อันเนี้ยมันยังแบบรักษาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมอะไรไมันก็้ทุกข์ใกล้ ่ใชเฉยๆดับแฟนน่ะเสียอืมถ้าเจอมะเร็งถ้าเจอมะเร็งยังไม่รู้ว่าจะทุกข์หรือไม่ใช่ใช่รู<ม>้ว่าอันนี้ ม, นมันมันคือมันยังผ่าได้หรือมันรักษาได้แต่ไอ้มะเร็งเหมือนที่คนอื่นทศเจออย่างเงี้ย<ม>ค่ะยังยังอยากว่า ม, มันจะมันจะดิ้นได้เปล่าอะไรถ้าเจอแล้วจะทําไงจะรักษาหรือไม่รักษาดีหรือว่าลูกใจ<ม>ลูกอ่ะไม่รักษาเพราะ<ม>ลูกว่า มันตายเหมือนกันขี้เกียจคารมาเนะใช่ลูกไม่อยากใช้แสงไม่อยากกินยาไม่อยากอะไรไม่อยากต้องมานั่งแบบกินอาหารตามนู่นตามนี้อะไรอย่างเงี้ยอะอยู่ตามสบายของเราไปดีกว่านะใช่ใช่ลูกลูกอยากได้นี่แล้วมันก็ไม่มีห่วงไงก็เลยแบบอย่างมากก็อยู่ท้ายใจเท่านั้นเอก็มีแค่นั้นเองใช่ใช่ค่ะบางทีแบบคุยกับพวกพี่ๆอย่างเงี้ย ที่ที่ที่ทำงานเก่าอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเนี้ยไม่ใช่ว่าแก่ตายอันนั้นเนาะตายไวอ่ะถือว่าโชคดีเพราะว่าแก่ติดเตียงเยอะแล้วคุยคุยกันอย่างเงี้ยคะ่ะส่วนมากผู้ประมาณนี้บอกโไม่ต้องรอตอ น, ตอนแก่ส่วนมากมันติดเตียงเพราะไปรักษาถ้าไม่รักษามันไม่ติดเตียงมันจะตายก่อนติดเตียง่ะมันมันมีหลายๆอย่างนะคะวาจารย์แล<ม>้วก็มัน แก่มันแต่ละคนมันคนโรคอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกันไอ้อย่างลูกอะเห็นเยอะลูกก็เลยแบบเอาเอาแบบตายแบบสบายหน่อยอไม่ไม่ให้ตวจดูอะเอาแบบสมยบัยพุทธกาลพุทธกาลไม่มีหมอไม่มีโรงพยาบาลใช่อย่างมาการ็รักษาด้วยสมุนไพรอะไรไใช่แฟนเขาบอกเธออย่ามาอันนี้ บอกเออเธอถ้าจําเป็นเธอก็อย่ามามาม า, มาวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่ามันต้องอยู่ที่ฉันแต่ลูว่าลูกไม่เอาอืมไม่ไหวคิดไว้ล่วงหน้าก่อนก็ดีนะเวลามันมา <c oughs> ถึงจะได้รู้ว่าจะต้องทำอํำยังไงใช่เพราะว่าไอ้พวกอย่างอย่างผ่าอะไรอะ่ะลูกก็โอเคแต่ว่าถ้าอย่างรูว่ามันมันมันทํางานโปรแกรมจะรู้แต่ว่าถ้าเป็นมะเร็งอย่างท่านอื่นๆอย่างเงี้ยลูกก็ยังแบบเอ๊ะถ้าแบบ มาเป๊ะบอกมาเล่งระยะที่สามใกล้อะปายลูกก็อยากรู้ว่ามันนิ่งขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนทํำ MRI อะค่ะก็เข้าไปประมาณแบบมันสองข้างเข้าไปข้างละสีสิบห้านาทีลูกก็ใช้แบบนิ่งๆเข้าไปอะค่ะอาแบบจารย์แล้วก็ว่างมันไม่มีอะไรจะทํามันต้องอยู่ข้างนิ่งๆอะค่ะประมาณชั่วโมงลูกก็ใช้สวดอิติปิโสแล้วมันก็ว่าง เพราะว่าปกติลูกจะว่างอยู่แล้วแบบที่บอกพระอาจารย์นะคะพอพอนั่งไปสวดไปแป๊บนึงมันก็เข้าแล้วมันก็ถอนหายใจอย่างเงี้ยตลอดพระอาจารย์แล้วเดี๋ยวนี้ยคือหนังสืออ่ะมันก็ถอนหายใจเหมือนเราเราตั้งสมาธิแบบนั้นนะคะอาจารย์อืมค่ะลูกก็เลยค่ะงั้นแค่เนี้ยค่ะอาจารย์ค่ะอ่าการบันเการปฏิบัตินี่ก็ช่วยรักษาใจเราให้ให้สงบดีนะ ดีดีขึ้นมากค่ะเวลาแบบฟังอะไรที่มัน น, นั้นมันไม่ค่อยปิวมันอยู่ตรงแบบกลางกางฟังแล้วก็ น, นี่นะคะอาจารย์สักแต่ว่ารู้ไปแต่ว่าได้ยินไปนะค่ะค่ะนี้ค <Okay. S 2> ่ะคุณอนันต์นงเชิญน้อมสักการ์ค่ะอาจารย์ ที่ที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยได้เดินทางก็เลยมีเวลาปฏิบัติได้มากขึ้นศีลแปดก็ยังรักษาอยู่แต่บางวันติดกิจตอนเย็นอาจจะต้องต้องทานกับเขาบ้างนิดหน่อยแต่จริงๆพยายามรักษาอย่างตั้งใจมากค่ะพระอาจารย์ในช่วงข้าพนสาก็วันนี้พอดีมีคำถามคับพระอาจารย์อยากได้ความรู้เพิ่มเติมว่าอสุภกรรมฐานกับการพิจารณาป่าช้าเก้ามันเหมือนกันไหมคะพระอาจารย์ อันเดียวกันนะอคือเรื่องเดียวกันนี่ค่ะคก็มันความจริงองสุภาพมันมีสองอันป่าชาเก้าอันหนึ่งแล้วก็อาการสาเหตุสองของร่างกายอันอ๋อคือเป็นสุภาพเป็นอัมเบลาใหญ่คือเป็นตัวใหญ่แล้วก็ออกมาเป็ น, อปนสองลักษณะดูดูซากศพเก้าชนิดแล้วก็ดูอาการสาเหสองของร่างกายอือ ทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นอสุภะเพราะมันไม่สวยงามใช่ไหม mm hmm. ดูให้เรามองดูส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายเพราะส่วนใหญ่เรามักจะเอาของสวยงามม า, าโอท์มาโชว์กน mm hmm. นันเราก็ต้องดูเพราะนี่เป็นเรื่องของกิเลสทัง้งนั้นเราให้เราหลงรักร่างกายแล้วก็มาทุกข์กับร่างกายของคนนั้นคนนี้เพราะเราไปหลงรักเขาอื mm hmm. ถ้าเราไม่หลงรักใครเราก็ไม่ต้องไปทุกข์ กับเขาใช่ไหอมอยู่คนเดียวก็ไม่ต้มีไม่ทุกกับสามีไม่ต้องทุกกับลูกไม่ต้องทุกกับใครตัวคนเดียวก็เข้าใจแล้วว่าตอนแรกอีบแบบบนอสุภะอ่านก็แบ่งหมดหมู่ใครเหมือนกับป่าชาเก้าก็เลยอีมันอย่างเดียวกันหรือคนละอย่างแต่อันนี้เข้าใจมากขึ้นเลยคะ่ะว่ามันจะมีอาการสารทิ่สองซึ่งอวัยวะเหล่านั้ น, น, นก็ไม่สวยงามเหมือนกันก เนนะะก็ดูร่างกายคนเป็นก็ดูอาการสาดีสองดูร่างกายคนตายก็ดูซากศพอี่อไงค่ะพอดีว่ามีน้องที่รู้จักส่งรูปศพมาให้ดูก็โอ้โหได้ได้ใจเ่ะคระเจ้านะอ้อนด้วยค่ะโอ้เกิดว่าผมบอกว่ารูปแบบนี้หายากมากเลยอะไรเงี้ยเขาก็บอกพอดีแล้วเขาก็ไปถ่ายเขาได้รูปมาก็เลยแบ่งมาให้ดูอืม แล้วก็อกว่าอันนี้อันนี้ไม่สวยงามอย่างแท้จริงเหรอว่ารูปแบบนี้คนวนใหญ่ไม่ชอบดูกันนอืมใช่ค่ะแต่ว่าหายยากครับอาจารย์เพอเห็นแล้วเราก็รู้สึกดีแบบก็โชคบอกเขาว่าโชคดีคือเขา น, น้องเขาก็ปฏิบัติเขาก็เลยไปมันเป็นหมอะคะรับอาจารย์ก็เลยได้ไปเห็นรูปพวกเนี้ย ม, มา เขก็เลยมาถามเมื่อกี้ก็เลยนั่งคุยกันแล้วก็บอกว่าเอ๊ะพี่ขวัญบอกว่าทําไมมันเหมือนกันเลยอสุภากับป่าช้าก้าวเลยบอกว่าวันนี้เดี๋ยวขอเจอพระอาจารย์เนี่ยจะลองขอความรู้จากพระอาจารย์ก็จะไปอธิบายคือคำว่าสุภาเขาบอกว่าวไม่สวยงามเลยสุภาแปลว่าสวยอสุภาเขาว่าไม่สวยไม่สวยของร่างกายก็มีทาาศอกก้า้เช่นกัรอาการ32อันนี้ก็ชัดเจนเดี๋ยวจะได้ให้ความ ข้อมูลเขาเพิ่มเติมว่าแบ่งแบบนี้ได้ครับวันนี้ก็ไม่มีคำถามอื่นค่ะยังคงปฏิบัติไปเรื่อยๆค่ะด้วยความตั้งใจมากอืมดอีอ่าโอเคนะทุกไปที่อาจารย์พรหมพิลายเชิญอาจารย์ขอทอ <c oughs> <c oughs> อมรกรรมัสศึกราพระอาจารย์ค่ะ เป็นยังไงผู้ผู้ผู้หูหหอหลับสนิทค่ะตอนนี้หลับสนิทแล้วสวยล้ค่ะวละค่ะได้ยินเสียงล่าขึ้นมนเสียหลับสนิทหัวลรอกเลยจะไม่หลับอา่าเม่ได้หลับก็มันเข้าสมาธิอยู่ส <c oughs> องทุมก็ hit the bed แล้วนี่แล้วละ <c oughs> พักผ่อนเยอะๆดีกว่แก่แล้วนะ ไม่ได้มีกําลังมังชาเดี๋ยวพร่งนี้ไปบ้านอำเภอค่ะแล้วสักบาบันสุกค่ะพรงนี้เหรอพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปแต่ว่าตักบาบันสุกค่ะสักบาบัานสุกค่ะก่อนจะออกไปก็ใกล้ใกล้เที่ยงกันแล้วค่ะร <c oughs> วมรคนสิบคนค่ะอห้พักที่บ้านอำเภอเลยรแบบที่โรงแรมตรงอดีไปกับเพื่นนะะอนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเซนฟางค่ะ แล้วก็มีเซเว่นเดย์ไปสองคนค่ะอืุ่มหนุ่มเซเว่นเดย์สองอื่ะก็ได้ไปกราบชวนกันทุกคนก็มีความประตือล้นนะคะที่เจมมหารกันใหญ่ว่าอยากจะไปตักบาตรพระอาจารย์เนี่ยค่ะวันนี้มีเมียในลูกบวนค่ะโอเคจ้าดูมั้ยมาเจอกันอืมไปที่เป็นหมอภาษนา ก็ตามมาเหมือนกันกรับนามืสักครงค่ะพระอาจารย์ค่ะก็อาทิตย์นี้ก็ยังก็ยังเอ่อเขาเรียกว่าถึงเปลี่ยนที่ก็สลับที่ระหว่างบ้านคุณพ่อกับบ้านตัวเองก็ดูแลคุณพ่อก็ยังสงบอยู่นะคะพระอาจารย์ก็ยังสามารถทําต่อจากที่วัดได้ค่ะก็เดินจงกรมนั่งสมาธิยังทําต่อได้แล้วก็สงบแล้ววันนี้พระอาจารย์พูดเรื่องจิตเราเราต้องดูแลจิตแล้วก็ฝึกจิตให้เหมือนมาใช่ไหมคะก็รู้สึกว่า คืออันนี้ครที่พระอาจารย์พูดนี่มันเหมือนกับว่าถ้าเราสามารถที่จะให้ใจมันเป็นเป็นกลางเป็นสงบได้ตลอดก็คือก็คือนี่คือเราเราก็คือฝึกจิตเราไปเรื่อยๆใช่ไหมพระอาจารย์แล้วก็ดูว่ามันสามารถจะสงบได้ตลอดจริงๆหรือเปล่าใช่ไหมคะพระอาจารย์ไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาเข้าสมาธินะเวลาออกจากสมาธิมาเวลาไปกระทบกับอะไรก็ต้องสงบต้องเฉยแล้วก็แล้วก็ที่พระอาจารย์พูดเรื่องของโรก เป็นเรื่องละครเนี่ยมันจะเหมือนที่หมู่ขวัญนิพนธ์พูดก็รู้สึกว่าเออจริงๆมันก็พอเราดูจิตตรงนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าจริงๆคือถ้าเราเลิกเล่นอ่ะมันก็ถึงจะจริงจะหยุดได้ใช่ไหมพระอาจารย์นัคือต้องสงบคือเหมือนกับว่าในที่ที่พระอาจารย์บอกก็คือกระทบอะไรถ้าเราเห็นความจริงจริงๆมันก็มันก็เลยทําให้เราเข้าใจมากขึ้นใช่ไหมคะพระอาจารย์มันเหมือนกับมันก็สงบเพราะว่ามันพอมันเห็นมันเห็นความจริงได้มากขึ้นถ้าเรามีสติมากขึ้นเราเห็นฝึกให้มันเห็นตลอดตลอดทั้งวัน ถูกไหมคะก็เผก่ใครเห็นว่าเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาไปยุ่งกับเขาแล้วเราทุกข์ไปเปล่าไปดีกว่าเราอยากมีความจําเป็นจะต้องทำอะไรก็ทําไปถ้าไม่จำเป็นก็ปล่อยวางดีกว่ารู้เฉยๆดีกว่ารู้เฉยๆทำตามหน้าที่อีกกันหนึ่งนะคะว่าอาจารย์เออพอทําไปเรื่อยๆเื่อยๆมันเหมือนเข้าใจมากขึ้นเหมือนเหมือนกับว่าที่ท่านแม่หารเคยบอกว่าจิต คือถ้าเกิดเราละความอยากได้อะ่ะก็คือจิตก็ไม่ต้องทําอะไรทีก็คือไม่มีฝุ่นมาเกาะถูกไหมคะอาจารย์อันนี้เคยเสงสัยแต่ตอนนี้เหมือนกับเข้าใจมากขึ้นเข้าใจถูกแล้วใช่ไหมคะถ้าเราละความอยากได้ก็คือจิตมันก็ไม่มีอะไรเพราะมันไม่มีอะไรมาก <c oughs> อืมโอ้เข้าใจมากพระอาจารย์อันนี้ไม่เข้าใจเลยตั้งแต่อ่านทาง <Yeah. S 2> มาเรื่องเข้าใจมากขึ้นเลยค่ะอาจารย์ว่าปฏิบัติต่อนะคะค่ะ อ, ขอาจ า, okay. ารย์คุณยินดีเชิญจากแคนซัสสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ ก็ไม่มีอะไรค่ะเข้ า, ขามานร่วมฟังธรรมค่ะท่านอาจารย์แล้วก็ศึกษาทับไปเรื่อยๆค่ะเดวิดเมื่อไาร่จะเอาเดวิดฝากความวิดถึงมาให้ท่านอาจารย์ก่อนตอนเช้า่ท่านอาจารย์พรุ่งเช้าก็เดินทางไปที่เอโรงงานอีกหนึ่งโรงงานนะคะใช้เวลาชั่วโมงครึ่งอะค่ะกลับไปเพราะเขาก็บอกกันหนูก่อนไปอะคะ่ะท่านอาจารย์เราจะต้องทําไปถึงเมื่อไหร่ถึงจะได้หยุดไปพักผ่อน ไม่ไว่หลายเดือน้วต้องปีหนึ่งก็ยังไม่ทราบก่ะท่านอาจารย์ก็ตอนนี้ก็ก็คือเดือนธันวาก็ไปต่อวีซ่าค่ะท่านอาจารย์ก็คืออยู่ต่อแต่เ้ายังไม่ได้บอกค่ะเขาไม่ได้บอกว่าเขาไม่ได้แจ้งเราว่าจะอยู่อีเท่าไหร่ยังไม่มีไม่มีไม่มีคำสั่งมาให้ยายไปที่อื่นะยังยังค่ะแล้วก็ ก็อยู่ไปก่อนอยู่ไปก่อนค่ะาธาอาจารย์ก็ทำที่ไหนที่ไหนก็ได้ขอให้มีเงินเดือนก็แล้วกันนะสาธุท่าอาจารย์เนี่ยค่ะไปเรื่อยๆค่ะท่านอาจารย์ดีค่ะขอบคุณขอบพรคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะท่านอาจารย์ที่ให้ทำสำหรับดีๆสำหรับกิจยารในมิตรทุกท่านค่ะท่านอาจารย์เป็นลมพวงลมใจให้นานๆค่ะท่านอาจารย์สาธุคุณนิสา L A Los Angeles กรรมนมัสการค่ะพระอาจารย์กับลูกก็ยังปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์วันนี้ลูกมีคําถามนิดนึงอะคะ่ะเกี่ยวกับทางหลักพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการอโหสิกรรมอะค่ะพระอาจารย์ mm hmm. คืออันนี้มันมันเป็นแค่แค่การให้รู้สึกว่าลดอัตตาแล้วมีความเมตตาต่อกันอย่างหรือเปล่าคะพระอาจารย์แต่กรรมมันยังอยู่ใช่ไหมคะ mm hmm. คือการให้อภัยอาโหสิก็คือการให้อภัยไม่จองเวรจองกรรมกับใครที่เขาทําได้เรามันก็จะระงับความเครียดความโกดความทุกข์ในใจเราไปใจเราก็จะไม่ทุกข์กับกับความมาฆา่าพยายายความโกรธความมาฆ่าพยายามนี่มันเหมือนไฟเผาใจเราค่ ะ, คะาะเราให้อภัยได้ก็เหมือนเอาน้ําน้ํามาดับไฟในใจเรา <P al chen> ส่วนเรื่องของกรรมของแต่ละคนที่ทำนี่มันก็เขาก็ต้องไปรับกรรมของเขาต่อไปอืมค่ะ <c oughs> ก็คือกรรมก็ยัง <c oughs> ยังไม่สามารถที่จะลดลงไดไ้ไม่ไมีใค<ช>รลบล้างได้ใครทำกรรมอันใดว่าจะต้องเป็นผู้รับผลจบกรรมนั้นค่ะค่ะค่ะพีแต่เรา<อ>จะไม่ไปเป็นเจ้ากรรมในเวรอยูอ่เขาท่นอ๋อก็คือถ้าต่อไปทักทเกิดชาติหน้านี่เรา เราไปเจอเขาเนี่ยเราไม่ได้ไม่ใช่ชาแน่ชาแนี้เจอช่ชาแน้ใช่ไหมคะชาแนนี้เจอกันแล้วก็เฉยๆ<อ>เราไม่เราไปม่กดเขาแล้วเราถือว่ามันก็ถือว่าเขาเป็นเพื่อนเราซะเปลี่ยนเป็นสัตว์ตัวมาให้เป็นเพื่อนค่ะแล้วเราจําเป็นต้องพูดว่าเออขออโหสิ ก, กรรมจริงๆไม่จาเป็นใช่ไมคะพระอาจารย์ม่ไหมายถึงเราขอเขาเลยเราให้เขา ไม่ไม่ถึงไม่ถึงว่าเราขอเขาอะไรอย่างเนี้ค่ะขอเขาเขาไม่ต้องไปขออันนั้นเป็นหน้าที่ของเราเขาจะให้ไม่ให้เราขอเขาไม่ได้ค่ะค่ะค ล, ลูกค้ามีความสงสัยนะคะก็ะอาจจะขอโทษเขาได้แต่เขาจะให้อาภายเราหรอือไม่เราก็ไม่รังคับเขาไม่ได้ค่ะขอโทษแต่เขาขอเรียกค้าเสียหายห้านาทีา่เขาก็ไม่ยอมให้อภัยเขาก็ไม่ยอมให้อภัยใช่ค่ะ คือลูกเห็นว่าบางทีคือจะอย่างจะลาไปบวชหรือว่าคนแบบเหมือนแบบว่ากําลังจะกำลมงจะสิ้นกําลังจะตายอย่างเงี้ยค่ะต้องไปขอหัวสิกรามลูกก็เลยมีความสงสัยว่าเอมันแค่แค่เป็นแบบเหมือนกับบุตรสโลบายว่าเราไม่ไม่ทําให้เราสบายใจอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่ากรรมก็ยังอยู่อคะ่ะอาจารย์คือการโหัวศี การไปขอเขาสิเขาหมายแต่ว่าเรารับสํานึกผิดในการกระทําของเราค่ะแล้วก็ขอให้เขาอให้ อ, อภัยให้ก็ให้อภัยเราส่วนเขจะให้หรือไม่นั้นเป็นเรื่องของเขาแต่หน้าที่ของเราก็คือเราอยอกรับผิดไปค่ะเ <c oughs> ข้าใจแล้วค่ะอาจารย์ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรค่ะอาจารย์น้อมนาปฏิบัติยังปฏิบัติบูชาเหมือนเดิมค่ะอาจารย์นะ <จ>อา่าดูจ้าใชขอบขอให้พระาจารย์ธาขันแข็งแรงนะคะอยู่<ะ>ก็เป็นลมโฟโล์มใส่รนนนนนใช่อา่าตูจ้าคุณชยานิดคุณหน่อยหายไปหลายวันนะก็สลับสลับเข้ามาค่ะพระอาจารย์แต่ว่าก็ยังถือสินปีที่แล้วเพิ่งดูตัวเองตอนยังถือสินหกอยู่เลยค่ะ ดีดีได้สินเจ็ดแล้วดีใจเจ้าค่ะอ๋อใช้เวลาตั้งปีนลงนะต้องมีการพัฒนาจ้ะค่ะอ่าดีเดี๋ยวปีหน้าก็ครบสีนแปเลยเจ้าค่ะก็จะพยายามลด Netflix จ้ะค่ะเน็ตฟิกอ๋อเน e t f l i x จ้าค่ะเกาหลีซีรีส์เลยติดซีรีส์จ้ะค่ะโอเยอะเลยจ้ะค่ะมาเป็น แต่อาจารย์เจ้าคะอย่างเรื่องเรามีมีคำถามอยู่นิดนึงเจ้าคะ่ะคือพอพอดีทุกข์แล้วทีนี้เหมือนทำยังไงมันก็เอาไม่ลงอะเจ้าคะ่ะคือแบบติดมันพุ่งซ่านอะ้าแล้วก็ <ใจ S 2> พุ่งซ่านถ้าเราพริจารณาด้วยปัญญาไม่ได้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเมื่อตอนเราก็ใช้สติพยายามหยุดความพุ่งซ่านนั้น ดยสติคือบริกรรมพุโทโธพุโทพโธหรือสวดมนไปอย่าปล่อยให้ใจคิดเบรคความคิดไว้อาการพุ่งสร้างก็จะค่อยๆระงับลงได้พระอาจารย์เจ้าค่ะแผ่เมตตาได้ไหมเจ้าค่ะมันก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะเราไปแผ่เมตตาให้ใครไหมเราก็ต้องแผ่เมตตาให้คนที่เรากำลังโกรธเขาสิถ้าเราอย่าแผ่เมตตาให้ตัวเองไม่ได้เจ้าค่ะโกรธตัวเองที่เอาที่แบบว่า ต้องต้องขนาดนี้เจ้าค่ะคือพร้อมแผ่เมตตาเรารู้สึกว่าสงบลงเจ้าค่ะอ่าถ้าสมบก็เอาอย่างนี้ก็ได้อันนี้กจริงมันไม่ได้แ ผ, นนแผน่นเป็นการสวดบทแผ่เมตตาใชเจ้ะเป็นเหมือนการเจริญสตินั่นเองเป็นเป็นเหมือนสวดมนต์ใช่จนะ้าค่ะสวดมนต์แต่ว่าบทอืนอ่นเอาไม่ลงเลยเอาไม่ลงก็เอาบทบทแผ่เมตตาไปานะแต่ไม่ได้แผ่ให้ใครมันนี้เป็นการสวดมีการเจริญสติ ให้ใจเราอยู่คิดฟุ้งซ่านนั่นเองก็เราเราชอบบทนั้นแล้วก็เอาบทนั้นมาสวด้วทําให้ใจเราสงบได้อันนี้เรียกว่าเป็นการใช้ใช้สติยับย้งความความฟุ้งซ่านของ ใ, ใจความทุกข์ใจแต่ถ้าอยากจะให้ให้มันดีกว่านี้ก็ต้องวิเคราะห์ด้วยปัญญาให้เราเร า, เราทุกข์เพราะอะไรเราโกรธใครหรือเปล่าเราห่วงใครหรือเปล่าเราหวงอะไรหรือเปล่า ต้องพิจารณาเลือกเราอยากได้อะไรหรือเปล่ามันความทุกข์มันเกิดจากความอยากต่างๆของเราถ้าเราค้นพบว่าเราอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็ดูเราเป็นไปได้เปล่าความเป็นจริงถ้ามันเป็นไปไม่ได้ก็อย่าไปอยากหรือเปล่าทุกอย่าเปล่ายอมรับความจริงนะอย่าต้องอย่าต้องจ่ายเท่าไหร่ก็ยอมจ่ายไปบางที่ทุกข์เพราะไม่ยอมจ่ายเจ้าค่ะ พอนึกได้อย่างที่พระอาจารย์บอกเคยฟังที่พระอาจารย์พูดบอกว่าก็ทุกที่มันต้องทุกเราก็ต้องยอมรับว่ามันทุกทุกอย่างหายไปเลยเจ้าค่ะก็เลยพ้ายอมนะมันก็มันก็เย ม, มันก็หยุดความอยากยอมหยุดเย็นเนพอยอมมันก็จะหยุดความอยากใจก็จะเย็นลงมาใช่เจ้าค่ะก็พยายามอยู่ก็ว้าวุ่นหน้าดูเลยช่วง จริงๆเหมือนกับเราทุกคนมีด่านทดสอบเป็นของตัวเองนะจ๊ะค่ะว่าจะต้องผ่านด่านนั้นด่านนี้อะไรนะกาสอบแต่ของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนอเพรอเรายึดต<ม>ิดกันคนละอย่างนั้นบางคนก็ยึดติดกับสามีบางคนก็ยึดติดกับลูกบางคนก็ยึดติดกับบริษัทกจิจกรรมอะไรต่างๆเหมือนกั น, กนกใช่จ้ะค่ะก็ค่อยค่อย เหมือนกับค่อยๆปลดล็อกกันไปใช่ไหมเจ้าค่ะว่าเอะไรมาก็ต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์ไปใช้สติเบื้องต้นทําใจให้สงบก่อนทำใจสงบแล้วก็มานั่งวิเคราะห์เนี่ว่ามันเกิดจากอะไรความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากอยากอะไรอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเจ้าค่ะก็จะพยายามเจ้าค่ะแต่ก็เป็นคนที่ปีตง่ายอ่ะเจ้าค่ะคือ ลูกกับผัวนี่โดนตลอดเน <laughs> ะ, ส, ะสติไม่ค่อยมีจะพยายามฝึกสติบ่อยๆสตินี้เพิ่งได้ทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับจค่ะก็จะแพง น, น ะ, งะมันีก็จ ะ, จะมีเบรกมันก็แล้ไม่เป๊ดบ่อยๆพอจะเป๊ะก็มีเบรกหยุดมันได้คือไหนอมองว่าบางทีบางทีคือแบบคนเรา คือเด็กอย่างเด็กเนี่ยเจ้าค่ะถ้าเราไม่จี้เขาก็ไม่ทำอย่างเงี้ยเจ้าค่ะคือถ้าทําถ้าทําด้วยเหตุผลทําได้แต่อย่าอย่าไปทําด้วยอารมณ์อะไปแบบนี้ชิจิงหน่อยก็ทําด้วยเหตุผลหลายๆอย่างแต่ว่าถ้าแบบเหมือนพูดธรรมดาเนี่ยเขาก็ได้ยินแล้วเขาก็ปล่อยผ่านแต่ถ้าหน่อยเสียงสองปุ๊บอย่างเงี้ยเจ้าค่ะออันนี้ก็แล้วแต่จึงจะทําอำถ้าจําเป็นจะต้องขึ้นเสียงหน่อยก็ขึ้นไปอันนี้ไม่ไม่ไม่เสียหายเลย แต่เราอย่าไปโกรธก็แล้วกันเราอย่าไปโกรธเขาจริงๆใช่ค่ะก็มีกวดบ้างในตอนให้มันให้มันเป็นเพียงกิริยาไม่มีอารมณ์ก <c oughs> ็มี <c oughs> มร่วมด้วยแล้วค่ะร่วมด้วยก็เราก็ทุกข์เองอะพอมีอารมณ์ใจแล้วก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีจริงๆแล้วค่ะทุกข์จริงแล้วก็พยายามแบบขมสุดๆแต่ก็ต้องมาขออุบายภาะสานเพิ่มเจะค่ ะ, ะ, ะออก็ต้องฝึกสติเยอะ พอแล้วมันจะป๊กขึ้นมาก็รู้ก่อนนะเอ้ยกำลังจะปีกแล้วนะสําคัญก็ไม่รู้นี่แหละ้ค่ะเพรมัน ไ, ไม่มีสติไงฝึกสติไปแล้วแล้วมันจะรู้วอาจะเริ่มปีกนี่สติมันบอกนะให้มาแล้วเนอืยผลจะมาแล้วนะผมจะตกแล้วนี่เตรียมมาตรการหยุดมันนะจ้าค่ะฝึกสติเยอะๆถ้าค่ะได้อุบาวันนี้อโอเค มีอะไรไหมไม่มีจ้ะค่ะขออุบยัยเรื่องนี้จ้ะค่ะบถหนักช่วงนี้พยายามฝึกสติเยอะๆเราจะมีมีพลังเบรกรถอะพอรู้ว่าจะชนอะไรก็เหยียบเบรได้ทันทีประค่ไม่มีอะไรแล้วจ้ะค่ะ ข, <อ>ขอบคุณค่ะพระจังสาธุในที่แม่ต้องเห็นต่อแม่น้องเห็นเป็นยัง ไ, ไง พระอาจารย์ ไ, รนะได้ยินค่ะพระอาจารย์ได้ยินได้ยินได้ยินพูดด้ค่ะพระอาจารย์ก็ช่วงนี้ก็ปฏิบัติค่ะพระอาจารย์เพราะว่าพอพิการหนูไม่สามารถที่จะไม่ฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมค่ะต้องทําไปตลอดเลยค่ะพระอาจารย์หยุดมไม่ได้ดดค่ะอาจารย์ดีด่นี่ค่ะก็ตอนี้พอเกิดปัญหาอะไรภายนอกหนูก็จะแบบมันเหมือนแบบว่า ถ้าเราตามกระแสไปอย่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์ก็เหมือนกับว่าเ อ, อ่อเราก็ไปตามทางโลกอ่ะคะ่ะมันมันหนูมองเห็นทางทางมกับทางโลกมันทวนกระแสกันเลยนะคะเหมือนเข็มนาฬิกาค่ะพระอาจารย์ก็ก็เป็นคนละกระแสคะ่ะพระอาจารย์เราปล่อยวางกระแสธรรมให้ปล่อยวางทางโลกเจ้าคะ่ะพระอาจารย์หนูก็เลยปฏิบัติ ไปเรื่อยๆใครจะทำอะไรก็ทําไปขยับอะไรก็ไปอย่างเงี้ยค่ะใช่เออเอาถอนสมอเราเราถอยหลังถอยดีกว่ายอมยืนยันได้ไหมถามทุกค่ะคือถ้าร่างกายไม่ไหวก็นอนขาพระจานทร์ก็ไม่ไปพยายามก็ปล่อยไปอย่างเงี้ยค่ะอันไหนพอถ้าไหวก็บุกขาพระอาจารย์ประมาณนี้ค่ะก็เลยว่าก็ไม่มีอะไรแล้วขาพระจานทร์เพราะว่า ถึงบ้านถึงเวลานอนหนูก็หลับไปเลยปกติเวลาหนูหลับหนูชอบโพสต์ความฝันวันนี้ฉันฝันอย่างนี้ฝันนี้ไปไปมามาพอฟังพระอาจารย์ไปปุ๊บอุ๊ยความฝันหนูหายหนูก็เลยไม่มีโพสต์หรือค่ะพระอาจารย์เรื่องเกี่ยวกับความฝันค่จะอ่าเนเพราะแตก่อน ห, หลับสนิทหลับสนิทก็เลยไม่ฝันเ <c oughs> จา้าค่ะพระอาจารย์ระยะเวลาการนอนก็น้อยลงคะ่ะ ก็ไม่ได้มาง่วงอะไรมากถ้าแบบรู้ส <kidnapped> ึกว่าไม่ไหวก็นั่งสมาธิแล้วมันก็จะตื่นเลยอะค่ะพระอาจารย์สาธุค่ะหนุมก็เลยจะก่อนพระอาจารย์ค่ะจะก่อนหนูแบบว่าหลงตัวเองไงคะเพราะว่าสวยไงคะชอบแต่งตัวไปแสดงบนเวทีอ่ะค่ะพระอาจารย์พอหลงตัวเองก็คิดว่าร่างกายเป็นของตัวเองเพราะสวยได้แต่งตัวค่ะพระอาจารย์พอมาเป็นพิธีการมาเลย อ๋อไม่สวยแล้วก็เลยไม่หลงตัวเองเพราะว่ามาเห็นบทบาทอ๋อคนพิการนี้ค่ะอืก็เลยว่าอ๋อข้อดีของการพิการก็คือทิ้งความสวยค่ะพระอาจารย์แต่อย่าไปชังมันก็แล้วกันพระอาจารย์ชังร่างกายเราก็ไม่ดีรักร่างกายก็ไม่ดีต้องอยู่กลางๆเฉยๆพระชาชังมันก็อยากจะทําร้ายมันจะทำธนร ก, ก็อยากจะหุ่ จ่สมวัจะรักจะหวงมันก็ทุกข์ทั้งสองทางต้องเฉยๆก็ดูแลมันไปตามอัตภาพเจ้าขาพระอาจารย์สาทุค่ะไปที่คุณหมอสุทธาสนีเอาที่ลูกสาวกลับไปได้เลยอาแล้วเจ้าขนมัสการเจ้าขาเขอยากอากาศอันพระอาจารย์เจ๋ อะไรเนอว่าอายุตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วจ้าสิเจ้าค่ะอ๋อสิเอ็ดอ๋อก็เรียนอยู่ห้าปอห้าเลยแล้วปอหกเจ้าค่ะปอห้าใช่ไหมปอหกเจ้าค่ะปอหกนะหกโอเคดีเป็นงไงชอบเรียนหนังสือไหมชอบไมคชอบอ่าต้องชอบนะต้องชอบใช่ชอบเรียนหนังสือมากกว่าชอบอย่างอื่นนะอืา ว่าน้อการเรียนหนังสือสมีคุณค่ามากกว่าอย่างอื่นนะพยายามชอบเรียนนังสือแล้วเราจะได้มีความรู้เยอะๆเราต่อไปเราก็จะสามารถเอาความรู้นี้ไปทําหากินได้อย่างสบายนะอย่าไปชอบเล่นเกมอย่าไปชอบเล่นอะไรเล่นพอพอพักผ่อนหย่อนใจได้ครั้งละชั่วโมงก็พอเอาเวลามาดูนักเรียนทำการบ้านดีกว่า แล้วว่างๆก็ามาช่วยคุณแม่หัดทํางานกับคุณแม่ก็ได้ได้ <IS P. S 1> เรียนรู้จากคุณแม่หูแม่ทําอะไรคะให้หนูมาช่วยหน่อยนะน ะ, อ, ะอย่าเล่นมากเกินไปการเล่นไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรเวลาอยากจะถามไหมจ้าไม่ค่ะมีนะเรียนดีไหมเรียนอยู่ระดับไหน ดีนะคะเก่าๆ <c oughs> เขาบอกว่าปานกลางชจ้ค่ะปานกลางนะโอเคก็ยังดีไม่ไม่ต่ําไม่ไม่สูงนะงกลางๆโอเคเขาน่าจะคิดถึงท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ขอเข้ามาเองเออได้เข้ามาทุกทุกทุกอาทิก็ได้อยากจะเข้ามาอืแล้วดูดูดูผ่านทางเฟซก็ได้ถ้าไม่นานพอมาในสูงก็นะ วันนี้หนูไม่มีคาถามแล้วค่ะท่านพระอาจารย์โอเคขอให้สบายกันนะขอบคุณนะคะอ่าไปที่นัโมอุตตร์นัโมปาโมออนนี้แต่เปิดแล้วเนี่ยเปิดนานแล้วนะเปิดเปิดนานแล้วคจะเดือนหนึ่งแล้วแล้วก็เป็นเดือนกว่าแล้วครับพระอาจารย์แต่เปิดมาก็โอ้โหเขา ปีนี้ผมอยู่เยสิบแลครับรอาจารย์วันนั้นเขาถึงงาเนน <yes. S 2> เรื่องเนี่ยเข้ามาหาลัยอะไรพวกนี้วันนี้เขาก็มี university fair ครับผมประอาจารย์เขาก็เอามาหาลัยจากทั่วโลกมาไว้เป็นจัดเป็นเหมือนนิทรรศการให้นักเรียนได้เหมือนแบบ explore เลยนยครับรอืมจะไปเรียนที่ไหนดีล่ะ <laughs> <c oughs> ก็อ ย, ก อ, ยกอยากอยากอยู่เมืองไทยน <laughs> <c oughs> ะครับอเมืองไทยมีมีที่เรียนหรือเปล่า ก็น่าจะมีข้าวฟู้ด <so> มันจะแล้วก็ขาของคนไทยมาให้สปอร์ด้วยเปล่าไม่มีเลยครับที่มาวันนี้มีแต่แบบมาจากกต่างประเทศหมดเลยส่วนใหญ่กรังกิตกับเมกาใช่ใช่ครับส่วนใหญ่มาจากยุโรปกับอ่าเมกาครับผมอาจารย์จะไม่เอเชียจะน้อยมากเลยครับอ่าแล้วก็ของไทยจะไม่มีเลยครับอาจารย์ ก็ไม่มีตัวเลือกในไทยเลยวันนีที่ผมดูนิรศกาณ์่็ระดับทันของเรามันย <c pes ney> ังไม่ไม <t weil sen NA> ่ติดระดับเอ็นเตอร์มันถามถามเขาถามเจ้าที่เจ้าหน้าที่ว่าทําไมไม่มีเหมือนของไทยมาบ้างพี่เขาบอกว่ามันเหมือนว่าไม่มีเว็บที่จะว่าอคอยอธิบายแบบอย่างนี้เหมือนมหาลัยอื่นได้อย่างเงี้ยัมนเลยไม่มีมหาวิทยาลัยของไทยมาอยู่ในงาน แล้วมีมหาลัยไหนบ้างที่มาเป็นมีคนมามาเป็นนับเออก็เยอะจำชื่อไม่ค่อยได้ครับเป็นย u n i v e r s i t ้ที่แต่ว่าไม่คุ้นชื่อเลยอไม่ไม่ค่อยคุ้นชื่อเท่าไหร่แสดงว่าไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ดังเลยนะอยู่ไม่ดัง ไม่รู้อาจจะดังแต่เราไม่รู้จักเองเพราะาเราไม่ได้มาเน้นแบบสนใจพวกมหาหลัยอะไรเพราะ้ม่ได้ค่ะผมอาจารย์อยากจะไม่เรียนอะไรจบจากไฮสคูลแล้วอยากจะไม่เรียนอะไรก็อย่างที่เคยเรียนว่าอาจารย์ครับผมอยากเป็นทั้งหมอกายและหมอใจครับผมค เ, มเครับผมอาจาจรย์ ครับก็ต้องพยายามครับผมเพราะว่าการสอบเข้าหมอจริ ง, รงๆทั่วโลกมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างยากครับแต่คิดว่าถ้าสมมุติว่าเราทำได้มันก็จะเป็นประโยชน์กับคนเยอะอยู่ครับอาจารย์ถ้าเราเป็นหมอได้นี่เป็นวิชาที่ยากที่สุดนะวันนี้ผมไปตอนอยู่ที่แปรครับคอยหาแต่พวก medical school แล้วก็อพอดู คะแนนคะแนนมันยากสุดเล <laughs> รีควอรี่เมนเขาสูงที่สุดในบรรดาทุกการทุกอย่างสูงหมดเลยครับค่าค่าค่าเรียนก็สูงผมยังสงสารคุณพ่อคุณแม่อยู่เลยกับ <laughs> ก็ยังคิดอยู่ว่าอาจจะต้องไปหาทุนหาอะไรแบ่งเบาภาระท่ า, านหนไม่งั้นท่านจ่ายเพียวๆอย่างเงี้อันก็คงอันก็คงไม่ไหวแน่เีระจาได้คิดอย่างนี้ได้ก็ดีแสดงว่ามีความไม่รากับพ่อแม่แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าศักยภาพเราจะสามารถไปหาทุนได้หรือเปล่าก็อย่าประมาทตัวเราเองนะเราอาจาอะอาจะจะหา <c oughs> <c oughs> เกดเราเป็นยังไงบ้างก็ปีที่แล้วก็ถ้าเทียบก็ได้เต็มหมดเลยครับอาจารย์มีวิชาคณิตที่ได้ไปนิดเดียวเพราะครูเขาไม่ยอมปัดขคืนให้เกดที่เหลือก็ถือว่าเต็มร้อยหมดเลยก็เต็มเรียบร้อยเต็มเจ็ดของไอบะครับก็เต็ม มีแค่อันเดียวที่ได้หกก็คือคณิตศาสตร์เพราะว่าคะแนนตอนสอบอันล่าสุดอันหลังสุด่ะครับได้หกจุดหกเจ็ดแต่ครูเขาบอกว่าจริงๆมันควรจะสำหรับตัวครูตัวครูเองเขาเขาอยากให้มันเป็นเจ็ดขึ้นไปเขาจะถือว่ามันไอ้นี่เพราะส่วนใหญ่ผมหกจุดหกเจ็ดหลายอันหลายหลายครั้งครับอาจารย์เลยทำให้เขาแบบงั้นอยู่หกไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยพัฒนาไปฝึกใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ <laughs> เราก็พยายามครับปีนี้เราก็ไม่ประมาทครับผมอาจารย์เราก็พยายามแล้วก็เราก็ยังปฏิบัติอยู่ครับผมเพราะว่าการปฏิบัติก็ช่วยให้เราสามารถเรียนได้ดีขึ้นได้ครับอาจารย์คุณยายเป็นยังไงบ้างคุณยายสบายดีนะลืมทักทายไปอยู่อยู่ข้างหลังมองมองแต่น้าโูเลยมองแม่คุณยายเดี๋ยววหลังก็งให้คุณยายมานั่งหน้าครับอาจารย์ ให้ผมนั่งหลังว่าไงปัญญาไม่มีอะไรพูดตามันยายฟังอะไรไม่ถูกนะคะสลับสลับมาเป็นโรคชนิดหนึ่งของที่ผ่านมานะคะดีเมืนกันไม่ไม่ได้ยินได้ฟังอะไรมันก็ดีไม่ไมต้องปวดหัวป่ะ มันมันไม่ดีสิคะไม่ได้คุยเลยไม่ได้พูดเลยเราเราไม่ต้องพูดเราพุทโธพุทโธเราเข้าสมาธิดิค่ะทวันนี้แกก็พุทโธพุทโธค่ะค่ะแต่อย่างนรเลได้ถึงท่านนะคะมีอะไรไหมนโมมีอะไรไหม ไม่มีแล้วครับพีาจา์จะได้มากาดพีาจา์ก็ปิติแล้วค่ะครับขอบพระคุณพีาจานย่าผาพจา่จานแก่นางครับผอสาธุไอ้คุณเอกเชียงรายอาทิตย์แล้ววางเว้นไปใช่ไหมโอ้อาทิตย์แล้วข้าอยู่ครับพจานเข้าอยู่นะจำไม่ได้สองสองอาทิตย์ก่อนหน้านะครับไม่ได้เข้าครับก็วันนี้เออก็ จะรายงานผลการปฏิบัติในในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับพระอาจารย์ในวันพระถือในสัญชิกพระอาจารย์ก็นั่งเข้าปฏิบัติก็สองพุมสิบห้าครับพระอาจารย์ก็นั่งอยู่กับเห็นเวทนามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปครับพระอาจารย์อืก็ในใจก็ก็แบบว่าไม่ไปทุกข์กับมันครับพระอาจารย์ออีก็เลกถึงคำสั่ ง, งสอนของพระอาจารย์นะครับ อช่วงแรกก็ใช้สติขุดโธขุดโธไปครับอาจารย์อก็ไม่ได้ไปสนใจกับเอความเจ็บของแง่งของน้าแข่งนะครับก็ก็อยู่ไปอยู่ไปได้สักพักหนึ่งอาจารย์มันก็หายครับอืม่งก็หายก็ก็นั่งนั่งต่อครับอาจารย์ก็เกิดขึ้นมาอีกข้างหนึ่งทางทางอทางขวานทางข่าวครับอาจารย์เออก็ตอนนี้ผมมาลองว่าลองพิจารณา เหมือนกับพระอาจารย์ได้สั่งสอนไว้ว่ามันมันเป็นเหมือนธรรมชาติเป็นเหมือนฝนเหมือนอะไรที่เรามาคับไม่ได้เหมือนดีฟากัดเนี่ยครับอาจารย์ก็ดูมันไปก็ก็ไม่ทุกข์กับมันครับอาจารย์ครับก็ใจในใจในใจลึกๆเลยครับอาจารย์มันมันมันเหมือนแบบมันมันมันยิ้มอะฮะอาจารย์มันคือคือมันยิ้มมันเหมือนกับว่าเฮ้ยความความเจ็บของเวทนาที่มันปวดเนี่ย มันมันที่สุดแล้วมันมันมันมีเพียงเท่านี้เหรอหรือประมาณนี้ครับอาจารย์มันมันไม่พูดกับมันะครับอาจารย์ก็ดูดูมันนะครับนี่แสดงว่าเราเข้าใจธรรมชาติของเวทนาแล้วสร้างสรงผมก็ก็อยู่กับเห็นเกิดขึ้นมันตั้งอยู่สักพักมันก็หายไปผมก็เออก็ไม่ไม่ไม่ไปไม่สนใจมันว มันจะดับหรือไม่ดับหรือยังไงก็ก็ไม่ได้ใส่ใจมันมันหายไปก็หายไปอย่างนี้ก็รู้ก็ก็ยังสักจะรู้อย่างนี้ครับอาจารย์ครับอืก็อยู่อยู่ได้จนถึงเอประมาณเที่ยงคืนสิบห้าครับอาจารย์ก็มันก็ไม่เจ็บไม่อะไรผมก็เข้าห้องน้ำก็เปลี่ยนในยาบมดมาเข้าห้องน้ำมาอะไรก็ดําต่อไปครับอาจารย์ครับนี่นครับมผมตอนนี้ไม่กลัวความเจ็บได้ป่วยนะมั่งท่านใช่ไหมก็ก็มีมีอยู่ครับอาจารย์ก็ คือส In so ัปดาห์ก่อนก็มีแบบว่าเอปวดปวดที่ข้อเท้าครับเกาเกากําเมร์ครับอาจารย์ก็ทนอยู่อยู่ได้ก็ก็หลายวันอยู่ครับสีห้าวันครับอาจารย์แต่ก็สูตรก็ก็ไม่ได้ก็ต้องทานยาดีๆครับอาจารย์ในช่วงที่เจ็บเจ็บมากๆก็เดีนั่งุนั่งสมาธิครับอาจารย์พุทโธก็หายไปเหมือนกันครับอาจารย์ครับออแต่ว่ามันก็อยู่ในสมาธิมันหายได้ครับแต่อกมาก ออกมาก็ออกมาต้องใช้ปัญญาบอกมันไม่ใช่มันเป็นของที่เราก็คุมบังคับไม่ได้มันจะเป็นก็ปล่อยมันเป็นไปครับผมครับใช่ครับเพราะว่าอย่าพยายมเดินอย่าพยายากให้มันหายครับเมื่อวีผมเดินมันมันเจ็บเลครับอาจารย์ผมผมจะถามตัวเองว่าไอ้ที่เจ็บใครเจ็บเราเจ็บหรือว่าใจเจ็บเยี่ยวก็ถามก็ถามตัวเองอย่างนี้ครับอาจารย์เออมันมันก็มันก็มันก็เบาไปครับอาจารย์มันเดินไปมัน มันปวดก็เออก็ก็ก็ฮอได้อยู่ครับอาจารย์ครับแต่ผมก็เลยมากับรายงานกับพอาจารย์ครับต้องขอบคุณอาจารย์ที่ให้ใบครับอาจารย์ดีมากใจเป็นผู้รู้ให้รู้เฉยๆไปครับผมความเจ็บมันอยู่ที่ร่างกายร่างกายเจ็บแต่ร่างกายมันไม่เดือดร้อนเราไปเดือน้อนแทนร่างกายทำครับผมครับผมใช่ไหมครับผมครับขอบคุณอาจารย์ครับ พยายามฝึกไปเรื่อยๆให้มันชำนาญถ้าผมพอไปเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะได้ไม่เดือดร้อนถ้าผมเพราะเพราะผมในใจผมก็คือเวลามันมันมันเป็นโอกาสที่ดีสําหรับในใจที่ผมซีนอาจารย์ถ้าเวลามาเราป่วยเราอะไรเนี้ยมันเป็นเป็นโอกาสที่ได้ได้ปฏิบัติทำได้ได้เห็นว่าเออมีข้อสอบมาอย่างเงี้ยครับอาจารย์ใช่ทุกมาแล้วทุกมาแล้วถ้าผมก็ก็ดูดูมันไปครับอาจารย์ครับ ทุกบ่มีทุกบ่มีปัญญาบ่เกิดครับผมครับผมครับผมครับจะได้เห็นว่าตายรักเป็นยังไงจะได้เข้าใจอ๋อตายรักเป็นอย่างนี้ไม่เที่ยงนิรันด์ตาบังคับมันไม่ได้แต่ไม่อยากให้มันถ้าอยากให้มันหายก็จะทุกข์ครับนี่ก็ไม่อยากเฉยๆไปดูเฉยๆไปก็ใจก็จะไม่ทุกข์ครับผมก็ก็เข้าใจกฎของตายรักเพิ่มมากขึ้นครับอาจารย์ครับ อน้าตาตัวนี้ก็เริ่มเริ่มดีชัดชาตินะครับเพราะว่าเราไปสั่งมันไม่ได้อย่างงี้มันมันไม่เหมือนกับตอนที่เราคิดนะของจริงกับของความคิดเรามันมันไม่ชัดเจนเหมือนกับตอนที่เจอของจริงนะของจริงนาะหน้าตาเป็นอย่างงี้อนี่จังลทุกครังก็เป็นอย่างงี้ต่ำชะโงกต่ำต่ำถ้าไม่เจอตัวจริงมันไม่ใช่ปัญญาเกิดเนี่ยเนี่ยปัญญาเกิด ทุกพอมีทุกข์ขึ้นมามันปัญญาก็ต้องหมุนะต้องพิจารณาตายแล้วแล้วเข้าใจว่าตายล้เป็นอย่างนี้ไม่เที่ยงควบคุมบังคับมันไม่ได้ถ้าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นนี้ก็จะทุกข์ถ้าหมุนถ้ามุนถ้ามุนดำดีมากดีมากถ้าหมุนทำไปเรื่อยๆทุกวันทั้งวันในจิตซ้อมไปเรื่อยๆแครับ ถ้าหลังจะออกมามันก็เพียอยู่ครับอาจารย์หรือว่าก็ขอสังนีบเหมือนกันนะครับอไม่เป็นไรแต่เวลาครับผ่อกับพับไปเทำก็เพียอยู่กันเหมือนเหมือนกับใช้พลังงานเหมือนกันนะครับว่าใช้ใช้เยอะอยู่กันก็เพียหลังจะออกมาก็เพียอยู่กันครับอาจารย์ถ้าไม่ไหวก็ไม่เป็นไรก็นอนบ้างก็ได้ก็พยายามไม่ไม่นอนนะครับแต่หลังหลังจะจะตรงอยู่ตลอดนะครับต้องพยายามนั่งใช้ท่านั่งครับอาจารย์ได้ ครทบครับนะครับผมก็ขอธาสันพระจําทรงแรงครับกับขอหุ้นพระจานาร์เป็นอย่างสูงครับผมครับผมปฏิบัติครับผมสาธุครับที่คุณแนนอุดรธานียังไงการทำรักษา่ะบาจาไม่มีคาถามค่ะโอเคไปที่คนสวงสวงอะสวงสุดาเชินงสุดาได้ยินหมด่นะ หลวงเสดายเดี๋ยวไปที่คนชีพก่อนแล้วกันเอามาแล้วมาแล้วเขาไม่ได้ยินนะเออเอ่อเดี๋ยวไปที่ชีก่อนออามาแล้วหลเสดายเสดายแต่มเสกากนเสดายอ่าว่ามาว่ามาต้องเปนต้องเสียงแล้วค่อนเสียงล้เสียงล้วมันย้อนกลับมาโอเคไม่ได้ยินนะ อาจนี้ะ่ะคะอ่าพูดได้เลยนะครับพระอาจาเออวันนี้หนูมีสองคำถามครับพระารอาจารย์เรื่องเวทนากับอรตา น, นราหรือิตอีหนึ่งครัพระอาจารย์เือเวทนาเนี่ยพระอาจารย์จงติถ้านั่งสมาธิอะค่ะเอ่อเท่าที่ได้ได้ศึกษากับพระอาจารย์ก็คือเวลามีเวทนาเกิดนะคะพระอาจารย์ก็จะอืมจ ะ, จะรู้เวทนารู้ดวงจนมัน มันแรงขึ้นนะคะอาจารย์แล้วจิตมันก็จะปล่อยปล่อยเวทนานั้นลงปล่อยละมันแล้วก็จิตก็จะรู้เฉยๆกับความเสีบตลนอดเนี่ยค่ะอาจารย์คือจิตมันไม่ได้อยากให้ความเจ็บมันหานเนื่เพราะมันเห็นเห็นแล้วว่าอยากไปก็ทุกมันเลยจะพยายามมันก็จะจ ะ, จะอยู่กับเวทนาไปเฉยๆได้นะคะอาจารย์ทั้งในสมาธิแล้วก็เวลารักษา มีการผ่าตัดรักษาตัวออกมาก็ก็ทำที่อาจารย์สอนนะคะแต่มันมีอีกครั้งหนึ่งอาจารย์ที่ไปวันนั้นไปฟังถามที่นากุติอาจารย์มันมันมันเป็นมันเป็นใจเราทนความเจ็บไม่ได้อาจารย์อยากรู้ว่ า, วาเพอาเรนเพราะความอยากเลยอยากอยากให้มันหายก็เลยทรมานใจขึ้นมา ใช่ใช่ตอ น, นตอนนั้นก็ต้องหยุดมันด้วยพุโทโธใช้ความบริกรรมหยุดความหยาบลงได้หยุดความอยากของใจอคือความอยา t นี้มันหายไปนานมาาจยา์ตั้งแต่ฝึกพุทโธกับพระอาจารย์จนแบบเจ็บสุดๆแ ต, ต่มันกลับมาครั้งหนึ่งสติแล้วค่ะสติแล้วหายไปมันก็เลยกลับมาได้อแล้วก็เช่นหนึ่งสติกลับมาเพื่อหยุดความหยาได้อืมวันนั้นอาจจะเป็นเพราะว่า พอดีฟังธรรมหน้าปฏิก็เลยไปนั่งผับเพียบไมไ่นั่งสมาธิพระอาจารย์แล้วจิตมันเหมือนเข้าเข้าในบ้านแล้วของฟังธรรมพระอาจารย์มาสลับไปสมัรมาแล้วก็แบบตอนนั่งรถไปมันก็จะแบบมีการคพูดคุยนะพระอาจารย์ไอเหตุพวกนี้มันทําให้พอดีหนูอยากจะผ่านวิทนาให้ได้พระอาจารย์มันมันสมมุติถ้าเราเข้าใจว่าผ่านวิทนาด้วยได้แล้วเนี่ยมันจะมีสภาวะนี้ที่ทำให้เรา สติแล้วมันแบบมันมันแค่มันยังไม่มีสติพอภระอาจารย์สติเราเผลอไปมันก็เลยทำให้เกิดความอยากขึ้นมาหรือปัญญาเราอาจจะเราลืมไปว่าเนา อ, อยากไม่ได้ใช่ใช่พาจารย์มันกลับไปเป็นเหมือนออก่อนที่จะเจอพระาจารย์เลยค่ะก็ต้องปฏิบัติ ออืก็ต้องย้อนใช้ปัญญาว่าเราอย่าไปอยากนะอยากว่าเนี่ยมันหลทุกข์มันเยอะยอมอยู่กับมันไปยอมให้มันอยู่ก็อย่าไปอยากให้มันได้แล้วก็ใช้พุทโธพุทโธช่วยคือถ้าปกติถ้านั่งสมาธิที่บ้านหรือถ้าในห้องผ่าตัดอย่างนี้เราเราจะนิ่งแบบที่พระอาจารย์บอกได้แต่สภาวะวันนั้นมันมันมันมีคนเราเรามองนู่นมองไปทางแลบวพระอาจาอืมไอเหตุปัจจัยพวกนี้มันอาจจะทําให้ กายเราไม่เนื่งพอเลยเลยทุกเลยเกิดความอยากขึ้นมาแต่ว่าพอดีเพราะว่าในสภาพความเป็นจริงเราอาจจะไม่ได้อยู่ในที่สมบเพระหน้าเวลามันเกิดการเก็บเราต้องสามารถทําได้ในทุกที่ทุกสถานที่กต้องเลยพระชาย์ก็จะกังวันนี้หนึ่งว่ามันมักลับมาเป็นแบบอีกครั้งหนึ่งได้พระชาย์จะพยายามเราใช้สติใช้ปัญญาสองตัวเนี้ยแก้เข้าไปแก้ได้ าใจอพระอาจารย์พระอาจารย์คําถามหนึ่งเป็นเอ่อเป็นเหมือนเป็นเรื่องเรื่องอนาตตาในจิตที่ถามพระอาจารย์ไว้ครั้งที่แล้วนะคะพระอาจารย์ว่าอยากจะเข้าใจความหมายนีดนึงว่าคำ ว, ว่าไม่มีตัวตนเหมือนก็คือไม่ใช่ตัวเราใช่ไหมพระความหมายเดียวกันนะคะมตัวเดียวกันนะมันตัวเราตัวตนเหนือนตัวเดียวกันคือตอนหน้าทีเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติเหมือนเหมือนเหมือนฝนเนี่ยมันไม่มีตัวตนเยอะแล้ว ประเภทตัวเราจิตก็เหมือนกัน<อ>จิตก็เป็นตัวรู้เฉยๆเรียบเทียาจิตกับกับฝนเนี่ยเป็นอย่างเดียวกัน<อ>เป็นธรรมชาติเข้าใจค่ะคือก่อนหน้าที่ได้ฟังทำอันนี้พระอาจารย์จะเข้าใจว่าไม่มีตัวตนเหมือนไม่ใช่รูปธรรมเหมือนไม่ใช่เป็น abstract มันตัวตนก็คื อ, อ, คอนนไม่มีคำ ว, ว่าเราของเราอยู่ในสิ่งเหล่านั้น มันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราออ่ะกายนี้ก็ไม่ตัวเราไม่ใช่ของเราทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นเราทุกอย่างมันเป็นธาตุมันเป็นธาตุสี่ธาตุหกเนี่ยร่างกายก็ธาตุสี่นี่นะลมไฟใจก็คือธาตุรู้แล้วก็อวบอากาศธาตุก็คือที่ที่อยู่รอบตัวเราความว่างรอบตัวเราก็เป็นอวบอากาศธาตุ แล้วก็วันนั้นมันมีเหตุการณ์ที่พอดีออกจากวัดนะคะพระอาจารย์แล้วจิตมันก็สงบดีมากๆนั่งรถกลับนะพระอาจารย์ทีนี้พอดีไปไปอ่านไลน์ทางธรรมศาสตร์เราก็เจอเจอมันเป็นไลายแจ้งปัญหาในในในงานเนี่ยพระอาจารย์ก็เลยแบบมันเลยมันเลยเป็นแบบพอเจอปัญหาเราก็เลยเซ็งพระอาจารย์ก็แบ คือจิตจิตจตมันสงบอยู่ดีออกมาจากวานแล้วพอมันมีความปัญหาเข้ามาให้อาบนี่นก็แบบฟูซา่าอแป๊บเนึ่งพากใจแล้วก็วเรเผลไปไงขารขาดสติการปัญญาก่อนญาต้องตั้งสติแล้วนี่ทุกมาแล้วนะเนี่ต้องอย่าไปยึดไปติดอย่าให้รู้เฉยๆไปใช่มันไม่ตั้งตัวจริงอ่ะใช่แต่แต่แต่มันมั น, มนแวบหนึ่งพอคิดก็ ใครทาอะไรเกิดอะไรขึ้นทํำไมถึงมีปัญหาพอคิดสบาพมันก็เลยเบื่อพระอาจารย์ก็เลยมันมันมันมีสติกลับมารู้อารมณ์ตัวเองพระอาจารย์ว่าจิตตะกี้สงบดีๆมีอารมณ์เข้ามาอารมณ์ขุ่งัวเข้ามาแล้วตอนแรกหนูก็รู้สึกเหุ่นยิบรู้สึกว่าเบื่อว่าอารมณ์ดีอยู่ดีทําไมต้องมีอารมณ์ใหม่มาแทรกพระอาจารย์ทีนี้มันนึกถึงคําที่พระอาจารย์สอนขึ้นมาอะไรพระอาจารย์ว่าจิตมันมีอารมณ์ที่เป็นอนัตตา มันบังคับไม่ได้โอ้ยพอพอนึกตรงนี้ได้พระอาจารย์มันสิติมันก็เลยแบบไม่หุดหันในอารมณ์ที่มาแสบเบ้าไปเลยอะพระอาจารย์มันก็เลยลงมาเฉยๆนะพระอาจารย์ไม่ไม่ไม่ไปหุนหันกับอารมณ์อารมณ์ยังมีอยู่ก็ไม่หุนหันไปใช่พระอาจารย์หนูจะถามพระอาจารย์ตรงนี้ว่าหนูรู้สึกแค่ว่าไออารมณ์ที่ขุนมัวมันมันมีอยู่แต่เราเฉยๆมันว่นเฉยๆสักแต่ว่ารู้ไป ใช่ใช่ครับหนูเฉยจนแบบแต่ก็นานนะคะอาจารย์จนมันเป็นอนัตมันมันดับเองค่ะอาจารย์นานพอสมควรมันก็อนิจจามันเกิดับตามเรื่องของมันเองให้รู้เฉยเฉยแต่ว่าเราเราเฉยกับอารมณ์ขุ่นมัวนี้แต่เราทําอะไรมันไม่ได้นี่ถูกต้องใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าเราทำอะไรได้ก็ทําไปบางทีก็ทําได้ก็ทําไปทําไม่ได้ก็ต้องเฉยไปเหมือนฝนเนี่ย โนี้ฝนเราหลบฝนได้เราก็หลบถ้าหลบไม่ได้ยาเปียกก็ปั่นเปียกไปอโอเคค่ะโอเคถ้าถ้าหยุดได้ก็หยุดแต่หยุดไม่ได้เราก็แค่เฉยอมังไป็อ น, ปปนอ๋ อ, อ, อก็ขอบคุณพระอาจารย์มากเลยดีใจมากเลยค่ะพระอาจารย์แล้วก็อีกอารมณ์หนึ่งที่เห็นช่วงนี้เห็นได้ดีคือพอดีไปไ ป, ไปผ่าตัดซิสที่ใต้ถึงดางว่ะพระอาจารย์ก็คุณหมอก็นัดมาสัก เรียนสองเดือนพอถึงใกล้ๆวันทำค่ะพระอาจารย์มันก็มีการตรวจร่างกายใจเราก็เริ่มตอนแรกก็เฉยมาตลอดพ อ, พอเริ่มตรวจร่างกายนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออไม่อยากไปยุ่งยากเจ็บป่วยเนี่ยนะพระอาจารแต่มันมีความความนิดนึงขึ้นๆจแบบุดหินสักวันหนึ่งพอมันเห็นว่าเราไม่อยากไปเจ็บเราก็มันใจมันสอนตัวเองเลยว่า ไม่อยาก<ช> ไ, มไม่ได้นะใช่เมันความอยากอยากอยากไม่อยางไม่เจ็บอยางไม่ไปรักษาถึงอะไรทำอะไรใช่พระอาจารย์เพราะเราเห็นตรงนี้สอนคือไอ้ที่ใจมันสอนตัวเองคือมันสอนว่าถ้าไม่อยากไปเรื่อยเือเนี่ยอย่างตอนตายมันอยาไม่อยากมันต้องกลับมาเกิดพราะสอนนี้มันใจมันยอมพระอาจารย์หยุดอารมณ์แบบดีใจมากมนหยุดจนแบบ หนูเหมือนมีสติรู้ตัวจนถึงขึ้นเ<อ>ตียงห้องผ่าตัด เ, น, เนี่ยเกิดปัญญาเห็นเห็นทุกเห็นความอยากตา่างๆเกิดจากความทุกข์ของเราเองเกิดจากความอยากของเราเองค่ะอาจารย์คือไอ้สอเหตุการณ์เนี่ยไอ้เหตุการณ์แรกเนี่ยพอหนูเห็นว่าตัวเองหงุดหงแต่ว่ามันพอนึกถึงําอาจารย์ว่าอารมณ์ในจิตเรามันคับไม่ได้อันนั้นนะอารมณ์ุหงิดมันไม่หายก็โอเคใช่ไหมอาจารย์ แต่เหตุการณ์ที่สองเนี่ยพอเห็นว่าเราอยากไม่ได้นะเนี๋ยวต้องกลับมาตัวอันนี้อารมณ์หายตนองหนึเลยพันธ ม, มันมันคือได้ทั้งสองอยากใช่ไหมพันธะอารมณ์ที่เรารู้มันจะหายหรือไม่หายเราก็ต้องเฉยอย่งนี้บางอย่างเราก็มันไม่ได้เกิดจากเรามันเกิดจากที่ไหเกิดจากทางด้านภายนอกเราก็ห้ามมันไม่ได้ควบคุมมันไม่ได้ถ้ามันเกิดจากเราเราไปหยุดเราก็หยุดมันได้ มันเกิดจากความอยากเราเราหยุดมันปั๊บมันก็หายไปแต่ท่านไม่ได้เกิดจากความอยากของเรามันเป็นเกิดเป็นภาวะของของของรูปเสียงวินรถลดใ้มันมากระทบหรือความจําได้ไมาหรือมันสร้างขึ้นมาวันนี้บางทีเราก็หยุดมันไม่ได้ก็อยู่กับมันไปเข้าใจมากขึ้นนะคะอาจารย์คำ<ม> ถ, ถามรู้หมดแล้วอาจารย์แต่ว่าพอดีเดือนนี้เป็นเดือนเกิดคระอาจารย์ อยากจะเรียนพระอาจารย์ว่าขอน้านีหนูปฏิบัติกับหลวงพ่อวิรู้ว่าท่านเป็นศิษย์ของหลวงพุทธินางพูฟันอ่ะค่ะจ๊ะตอนที่เจอท่านท่านออกจากทุกองค์ท่านมาอยู่วัดธรรมที่ประรีสท่านแต่ท่านท่านมีเหมือนมียาดอยากรู้เพราะเป็นศิษย์ภาวนาก็จะทราบว่าท่านมียาดอยากรู้ก็จะรับเรียนท่านครั้งแรกเลยว่าไม่อยากเจ็บแล้วท่านก็ให้ศึกษาขันธ์หน้าค่ะอาจารย์ แล้วก็ให้นั่งสมาธิอย่างเดียวเลยนั่งอย่างเดียวสี่ปีจนเริ่มเข้าใจวิถนาพระอาจารย์ในสมาธิแล้วก็ตอนผ่าตับดท่านมีบอกไว้อย่างหนึ่งพระอาจารย์ว่าพอท่านไม่อยู่จะได้เจอครูอาจารย์รุ่ถักไปไม่อยากจะเรียนพระอาจารย์ว่าตอนนี้เหมือนพอได้รู้ได้เห็นในเรื่องจิตที่ที่ไม่ไม่เคยคิดว่าจะเข้าใจมันทุกที่หนูทั้งทั้งทุกทั้งตอนเจ็บแล้วพอหมอผ่าก็จะ ก็จะทุกตั้งแต่พอมีนัดก็จะรู้สึกทุกตอนนี้เริ่มเริ่มหยุดอารมณ์เหล่านี้ได้ค่ะใช่ไหมก็ต้องลาบขอบของพระอาจารย์มานะคะแล้วทุกวันเกิดของหนูหลวงพ่อท่านจะพูดทุกครั้งว่าเราเป็นผู้โชคดีในการเกิดที่ท่านจะให้พรเลยอยากจะเรียนพระอาจารย์ว่าตอนนี้ชื่อเราว่าเป็นผู้โชคดีในการเกิดจริงรจิงนะพะอาจารย์ทุกวัน จะได้มาจะได้ไปเจอวันไม่เกิดไงโชคดีตรงนี้ค่ะอาจารย์ขอบคุณอาจาเป็นอย่างสุงค่ะ่าหาให้เจอน ะ, อ ะ, อะวันไม่เกิดอยู่ตรงไหนสาเพียงตอนนี้บางค่ ะ, ค ะ, ะอาจารย์ไปที่แ <ไป S 1> มริแลนด์เกสเตสบิร์กชไหมันา ค, ค่ะใช้ค่ะค่ะอาจารย์ พระอาจารย์ขาโยมกังขอบคุณในความเมตตานะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่พระอาจารย์อวยพรเรื่องคดีความของโยมคือในที่สุดมันก็ตกลงกันได้แล้วมันก็จบแล้วค่ะหลังจากห้าปีห้าปียาวนานมากมามันไม่ได้มันไม่ได้อยู่ที่แล้วหรอกมันก็อยู่ที่เรื่องของมันมันเรื่องมันจะเกิดมันก็เกิดใช่ค่ะเพื่อให้กําลังใจให้ไหมค่ะแต่ก็ขอบพคุณจริงๆค่ะกําลังใจจากพระอาจารย์มันมันมีค่ากับ ลกสิทธ์มากๆค่ะฟจาจ่าแล้วก็โยมก็นั่งมองแบบเออถ้าแบบมันจกลงกันไม่ได้จะนงก็ลเออมันเหมือนกับมันนิ่งๆมันมีมันมีอารมณ์บ้างนะคะที่แค่รู้สึกว่าเอ้ยมันเราร้องไห้ไปต่อหน้าคุยภักษาเราก็เอ้มันนั่งพอมันร้องไห้ไปเสร็จในใจแล้วก็มองเอง พี่ชาร้องได้ทําไมเนี่ยเหมือนมันมองอารมณ์ตัวเองยมก็แบบเอ๊ะเราเป็นบ้าหรือเปล่าเนอ้อเราร้องไห้อยู่แต่เราอีกจิตนึงเราก็มานั่งคิดเออห ย, ยุดดีกว่าไหมอะไรยมก็แบบว่าก็เลยเออพี่เขาเรียกว่าเมือกี้ว่าใอได้สติมันก็เลยคิดได้ไตอนนั้นถอยสติมันก็เล ย, ย<ก>ไปตามอารมณ์ไปใช่ค่ะยมก็เลยองค์สงสาสติมันก็จะมีขดัดขัดดำดำ มันมั น, มนมตามกิเลสรมอารมณ์จริ ง, รงๆอะไรเงี<ม>้ยค่ะแล้ววันนี้ได้ฟังหลายท่านเรื่องแบบการมองเห็นตามความเป็นจริงการมองไตรลกักษมองการเกิดดับที่พระาอาจารย์สอนยมรู้สึกว่ามันจริงมากๆแม้แต่ความคิดและจิตของเราเราก็ข่มไม่ได้อย่างเวลาเรานั่งสมาธิเราก็จะนิ่งว่างมันก็เหมือนกับเราก็ไม่ได้เอาร่างกายเราไปด้วยก็แสดงว่าร่างกายมันก็ไม่ใช่ของเราแต่พอเราออกจากสมาธิ แปลว่าเราก็จะเริ่มมารู้สึกว่าอ้าวนี่คือแขนขานี่คือความเจ็บป่วยนี่คือความที่เรามีอารมณ์หัวใจเต้นความร้อนขึ้นจากความโกรธอะไรอย่างเงี้ยค่ะยุ้งก็เลยมองว่าเออเนอะาะแสดงว่าสมาธินี่คือความสุดยอดแล้วที่ทําให้เราแบบนิ่งได้แล้วปล่อยวางแล้วเกิดอุเบกขาได้เร็วแล้วก็ทําให้เราแบบพี่วิจารย์พูดนะคะว่าจะได้ไม่ต้องมาเจอวันที่ไม่เกิดเอ๊ะจะได้ต้องจะได้เจอวันที่เราไม่เกิดอีก ไหวแมีงงงก็เลก็เลโอเคเราก็พยายามเท่าที่ทําได้ให้มากที่สุดตอนนี้พอเรื่องมันจบแล้วมันรู้สึกบบว่าเอาแหละตอนนี้เราไม่มีข้ออ้างในการปฏิบัติแล้วนะไม่มีข้ออ้างในความทุกที่เรานั่งไม่ไหวเราคิดไม่ได้อะไรเนี้ยนะคะพระอาจารย์ก็ก็จะพยายามเพียรปฏิบัติให้มากขึ้นนะคะพระอาจารย์เอไม่มีอะไรดีเท่าการปฏิบัตินะ ช่าง<ด>ค่ะพระอาจาย้นจากความทุกมได้ด้วยการปฏิบัติใช่เจ้าค่ะไม่ว่าจะปฏิบัติการปฏิบัติใจก็ถ้า<ม>ปฏิบัติไปพร้อมๆกันมันก็จะดีไปเรื่อยๆค่ะจะ<ม>พยายามให้มากขึ้นนะคะพระอาจารย์<ม>แต่ตอนนี้โย ม, มคำถามถ้าเราอยากคือตอนนี้โยมไปโรงเรียนคอมพิวเตอร์ไว้คือไม่ได้อยากทั้งโลกมากขนาดแบบนั้นแต่ว่าแค่คิดว่าอาชีพที่เราทาอยู่ตอนนี้มันไม่สามารถที่จะแบบ เพียงพอในการนํารายได้มาเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวให้มันแบบมีเก็บยามยามที่เราคิดว่าถ้าเราแก่เราจะไปปฏิบัติธรรมเราจะมีอะไรถ้าโยมอยากแบ บ, แบบแค่มีอาชีพที่ดีขึ้นถือว่าเป็นกิเลสที่มันมากเกินไปไหมคะพระอาจารย์มันก็มีเหตุมีผลก็ไม่ไม่เกิดไปมันอยู่ในขอบถ้ามันอยู่ในขอบเขตของเหตุผลแล้วมันไม่ได้ทําให้เราเราทุกข์ก็ทําไปค่ะ<ม>แต่ก็ไม่ได้ทําให้เราเกิดความโลภมากที่แบบ ลก็มั น, นรอบด้วยเหตุผลไี่ยบรอบความจําเป็นมันไม่พอใช้อะทำไงไม่พอใช้ก็ต้องหาเพิ่มค<ช>่ะหรือไม่าใา<ช>ก็เคยถ้ามันไม่พอใช้ก็ลดค่าใช้ใจ่ายลงไปใช่ค่ะโยมก็ลดแต่ว่าบางครั้งแค่ว่าเออถ้าคนโยมบางทีโยมก็แน่งมาบางคนที่เขาไม่มีลูกมีหลานนี่เขาช่างโชคดีจังเลยที่เขาแบบเอาแค่ตัวเขาเองให้ผ่านพ้นชีวิตนี้แบบ ปฏิบัติไปได้ให้มันที่สุดอะค่ะแต่พอเราเริ่มมีภาระมีลูกเนี่ยยมก็แบบโหโหอุปสรรคมาแล้วเลยเข้าใจว่าแบบมาจบมาอะไรนี่ไม่ต้องเป็นนี่เท่าไหร่นะใช่ค่ะเราตีหน้ า, นาลูกก็เนี่ยค่ะเหมือนเมื่อกี้น้องน้ำมัวบอกเกิดสิบใช่ไหมคะลูกยมเกิดสิบเอ็ดแล้วเหมือนลูกสังรณ์ทอง น, นะคะเท่ากันเกิดสิบเอ็ดแล้วก็ก็คือมีแค่เวลาอีกสองปีคือปีหนึ่งเอาง่ายๆค่ะตอนนี้ก็ต้องเริ่มสอบ เก็บคะแนนแล้วเริ่มแบบเตรียมดูมหาลาัยแล้วโยมมานั่งมองแบบโอ้โหมาหาลัยโยมก็คุยกับลูกตามจริงอะค่ะบอกเออแม่ไม่มีปีไร้หมื่นเรียนน่หลายอยู่ค่ะ<ม>พอาจารย์ขนาดรัฐแมรี่แลนด์ยังเห็นเกือบสองมืนกว่าต่อเธอต่อปีอะค่ะอันนี้ขนาดของ <20. S 1> รัฐบาลนะ่ ใช่ต่อค่ะแล้วถ้าเราสมมติอย่างที่ MIT อะไรที่เขาเข้ากันใช่ไหมคะม อ, นนอันนั้ น, นก็แบบโหหกหกหมืนกว่าเหรียญอย่างเงี้ยค่ะมยมแบบียังไม่รวมค่าค่ากินค่าอยู่นะคะเข้าใจอยู่บแบบโอประเทศฉบับว่าถอนลากถอนคนผู้ปกครองกันเลยหรือ ย, อยังไงแต่เขา <laughs> เขาาก็มีให้กู้ได้ให้นักศึกษากู้ได้ใช่ค่ะยมก็เลยบอกลูกชายบอกว่า แม่ไม่มีนะลูกแต่ถึงไม่มนะีแม่ก็เชื่อว่าลูกทําได้ถ้าเราจําเป็นต้องกู้ก็ต้องกู้เพราะว่า mm hmm. เพื่ออนาคตของเราแล้วเรายังเด็กอยู่ก็น่าจะทําไหวอะไรเงี้ยแม่อีกไม่รู้นานเท่าไหร่เพราะมันเกินครึ่งชีวิตล mm hmm. แล้วเราก็บอกลูกก็บอกไม่เป็นไรแม่ไม่ต้องคิดมากนะเขาจะทําให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะโยมก็บอกเออดีแล้วดีแล้วอะไรเงี้ยขอบคุณที่เข้าใจที่เราคุยกันได้ทุกเรื่องอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ ก็ก็คงไม่วันนี้ไม่มีอะไรแล้วค่ะพระอาจารย์กับขอขระคุณมากนะเจ้าค่ะขาสาธุเจ้าค่ะขอพระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงนะเจ้าขาขอให้ชีวิตราำรื่นในงานไปตลอดนะไม่มีอุปสรรคอะไรสาธุข้าสาธุค่ะพระอาจารย์สาธุค่ะยมเจ้า จะอัดเสียงอันนี้ไว้เดี๋ยวกลับไปดูใหม่แล้วจะอัดเป็นคลิปเสียงไว้ขอบคุณเจ้าค่ะอัานไม่ได้ใจด้วยจ้ะอ่านไม่ได้ใจก็พอแล้วจดจำไว้กันได้ไหมนต้องได้ยินทุกวันทุกวันค่ะเราจะต้องเปิดฟังก่อนนอนโอเคค่ะสวัสดีขอบคุณเจ้าค่ะสาธุค่ะอ่าคุณชันชิตจากไต้หวันชันชิตครับแล้มกลับนมาสการกับอาจารย์ เป็นยังไงบ้างสบายดีแล้วสบายดีครับทำงานอะไรก่อสร้างหรืออะไรก็ทำงานอิเล็กทรอนิกส์ครับเป็นโรงงานนะครับโรงงานชิ้นส่วนอะไรผลิตอะไรแล้วแต่เขาสั่งมาครับก็ทำโทรศัพท์บ้างทำหูฟังทำไอแต่ว่าหลักคือ p h o n นครับอ๋อทำชิ้นส่วนให้ p h o n นนะครับอืม ก็ดีมาเยี่มากี่ปีแล้วครับตอนนี้ปีนี้ปีที่เจ็ดแล้วครับอได้กลับบ้านทุกปีหรอือเปล่าไม่ครับกลับไปแค่ครั้งสองครั้งนานแล้วครับอืนั่งลอ่างๆที่นั่งหน่อ ย, ออยไหม <c oughs> ยังครับว่าจะเพราะว่าไปไหนไม่ได้แล้วอายุก็มากแล้วก็เลยว่าจะอยู่ให้ถึงสิบสองปีครับเพราะว่าเขา <c oughs> ให้อยู่แค่สิบสองปีก็ ้อากลับนะสิบสองปีแล้วเรากลับนะไม่ใช่อยู่สิบสองปีแล้วให้เป็นเราเป็น citizen ให้เราเป็นคนไม่ครับตอนตอนนี้เขาเอาโมริจัดนี้ไปตั้งอยู่ประเทศไทยแล้วครับถ้าเรากลับแล้วเราไปทำประเทศไทยก็ได้ครับอ่ดีดีก็ดีครับบริษัทก็เปิดได้อย่างที่ประเทศไทยนี้เขาเปิดปีหน้าครับปีหกเจ็ครับเพราะเขาพอเขาเปิดแล้วก็จะมาเลย ไม่เขาสอบถามพนัก ง, งานหน่อยครับว่าใครจะเต็มใจไปเพราะว่าถ้าไปก็ได้เป็นไปเป็นหัวหน้าที่เมืองไทยครับอืาก็ดีครับแต่ว่าผมก็เลยทําไปก่อนครับเพราะอยู่นี่ก็พอทําได้ครับอืมก็เก็บเงินเก็บทางไว้นะจะได้ต่อไปได้สบายมีเงินใช้จะใช้ทั้งหมดปะคร <c oughs> ับพี่ยาจารยู่ครับเก็บตั้งก็ออกหลายทางครับอาจารย์อืม ต้องประหยัดประหยัดแค่ใช้จ่ายไม่ได้มีเงินเหลือเก็บไว้ครับไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีครับก็มาู่มฟังทำแล้วก็มากราบพิธีการครับโอเคเอาท่านี้ก่อนนะครั บ, รบไปที่คนอพีเคโอภูกเก็ตพีเคภูกเก็ตน้องกลับถวัตสการพิธีการเจ้าค่ะมีอะไรไหม อันนี้มีเจ้าขาพยานหยัดเข่าไวยิธีปราบจิตที่มันพยศเหมือนว่าเพิ่มเติมเจ้าขาพยานก็ต้องอทรมานมันเลยอดข้าวบ้างอะไรเงี้ยไม่ไม่นอนบ้างอะไรต้องใช้วาทการโหดๆอ่นะมันถึงจะเอามันอยู่มันถ้ า, าแบบเบาๆมันก็ไม่กลัวกิเลสมันต้องเอาแบ บ, นบหนักๆหน่อย อามึงดื้อแล้วไม่กินข้าวทังสามวัน้วยเป็นยังไงเดินกมพมเดินชมพมสามชั่วโมงหรือนั่งหมุนเก้าอี้สามชั่วโมงไม่ไม่ไม่ไปไหนไปนั่งอยู่ตรงนั้นให้นั่งให้ยืนไม่ถึงครับต้องทรมานแบบขัดสมาธินั่งแบบสบายแต่ไม่ให้มันไปทำอะไรอพระอาจารย์ ตอนตอนนั้นฟังฟังเทศจาว่าอาจารย์แล้วเคยลองเจ้าค่ ะ, ะแต่ว่าแค่บอกว่าจะลองนิ่งๆชั่วโมงเดียวอะไรอย่างนี้ยจ้าค่ะหยิบนาฬิกามาดูตลอดเลยว่าอะไรจะถึงชั่วโมงก็ยต้องใช้พุทโธเลแล้วมันจะหยิบนาฬิกาก็พุทโธพุทโธไปอย่านั่งเฉยๆอย่าอยู่เฉยๆ อ, อยู่เฉยแล้วมันหมดเงินเร า, าทาพุทโธไปสวดมนต์ไปพิจารณาการสามสิบสองไปทำเราเนี่ยอืม แล้วครับว่าคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วปราบพยศของจิตเนี่ยกับจับลิงเหมือนกันไหมเจ้าค่ะพาี่อาจารย์ก็ตัวเนะดีวยวกันอะจิตก็คือตัวลิงเนี่ยมันมันเหมือนจับปูใส่กระด้งมันไม่ยอมอยู่กับที่ไม่ยอมจับมันใส่กระด้งมันก็ออกไปฮะอืมัน <c oughs> จับมัน ม, มัดไม่ยา ม, ม, มอยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์เหมือนเหมือนฟังวันนี้ฟังพระอ า, าจารย์ที่อะไรเจ้าค่ะคือ เพินมากเจ้าค่ะพระอาจารย์วิธีปรับไปะยกม้านี่คือแบบว่าตั้งแต่ลองข้อชั้นสามชั้นแล้วก็ตามด้วยแบบว่าเชือกและตามด้วยมีดอะไรเงี้ยเ <laughs> ทปเทปทาว่าวันนี้เจ้าพระอาจารย์ฟังน่าเหมือนจะเอื้อมถึงมากเลยเจ้าค่ะมีกำลังใจแต่ก็ยังบอกว่ายังมันก็ยังมีติดตรงนั้นตรงนี้อยู่อะไรอเี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์เหมือนเหมือนเหมือนการปฏิบัติของลูกช่วงนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เริ่มเริ่มจะแบบ ลูกมาโฟกัสที่การทําสมาธิใช่ไหมเจ้าคะเพราะว่าไม่อยากจะให้ออกไปทางปัญญามากอย่างเงี้ยเจ้าคะเริ่มจะเห็นบางทีมาดูลมเริ่มจะเห็นว่าลมหยาบละเอียดเริ่มเริ่มเห็นตรงนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เป็นนี่คือ ว, ว่าเริ่มมีสติขึ้นไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ใช่ใช่าดูลมได้จะแสดงว่ามีสตินะเริ่มมีสติมากขึ้นเจ้าค่ะก็เห็นความความหยาบความละเอียดของลมอย่นี้เจ้าค่ะพระอาจารย์บางนีก็าามันหยาบ เก็ดูตามความเป็นจริงไปมันจะเป็นยังไงก็ดูตามความเป็นจริงไปมันอนิจจังมันไม่แน่นอนพอพอจะระงับการเรื่องใช้ปัญญานี้จะเริ่มงอกว่าจังทุกขังอนัตตานี้เริ่มจะแบบลืมบางทีลืมหยิบมันนึกมาใช้อะไรอย่างนี้เจ้าค่ะอาจารย์อืหรือไปบอกว่าไปทุกข์กับมัน ก, นนน ก, กันอะไรอย่างเนี้ค่ะมันเรื่องแฟนอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะอาจารย์หรือว่าบางทีก็ลืมเล่นว่าเฮ้ยเขาก็เป็นอนิจจังอนัตตาเจ้าค่ะ ใช่ก็ต้องมาใช้มากเวลามีความคิดอะไรก็ต้องมีอันนี้จะมีปัญญาคอยประกบความคิดอยู่ตลอดเวลาเขาเขาก็เป็นห่วงลูกมากเจ้าค่ะอาจารย์เพราะว่าลูกทานข้าวมื้อเดียวใช่ไหมใช่ค่ะตั้งแต่เขาเา้าพรรษามาเจ้าค่ะเขาก็เตรียมของกินเลยให้อย่างดีเลยเจ้าค่ะอาจารย์ลูกก็เลยแบบเป็นหนึ่งมื้อที่แบบว่าเกือบจะล้นถังตลอดเลยเจ้าค่ะพอาจารย์มื้อเดียวแบบเป็นมื้อที่เกือบจะล้นถังเจ้าค่ ะ, ะไม่เป็นไรก็ให้เต็มถังไปเลย เปิดโอกาสให้ล้กินให้เต็มที่ไปเลยแต่คนเดียวอาจารย์ถามต่ออีกนิดหนึ่งเจ้าค่ะเออ่ลูกค่ ะ, ะ, ะทิ้งช่วงอ่าฝากพี่แมวใส่บาพรอาจารย์ไปสีวันแล้วรู้สึกว่าเหมือนใจมันแห้แงๆเหมือนมันมันขาดอะไรสักอย่างนี้เจ้าค่ะอาจารย์แบบนี้จะติดการทําบุญทําทานไหมเจ้าค่ะอาจารย์ว่าเวลาติดบุญเนี่ยก็ติดดีว่าติดบุหรีติดเล่านะไม่มีพีชมไภยติดบุญเนี่มันจะทําให้เราอยากจะทําบุญมากขึ้นไม่เป็นไรหรอก พาทําได้ก็ทําเพิ่มทําเพิ่มไม่อีกไม่ได้อย่าแต่ถ้าไม่มีกําลังก็ต้องหยุดก็ต้องหยุดยอมรับคำเป็นจริงได้จ้ะค่ะก็เบรกไปบ้างได้เหมือนกันใช่ไหมั้ะค่ะไปฟังเว้นไปแบบเท่าสม่ำหรือว่าแล้วแต่ตามกําลังเลยแต่กําลังของเราอย่าไปทําแบบไม่มีขอไม่มีเหตุมันก็ต้องมีเหตุมีผลจ้ะค่ะน้องนาไปปฏิบัติจ้ะค่ะกับข้อความขึ้นขาดปฏิบัติบูชาทุกวันจ้ะค่ะพระอาจารย์อ่ได้จ้ะเริ่มเริ่มปิดไป สาธุเจะเริ่มปิดไฟหลังครัวให้มืดลงเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่าลูกไปเดินหลังครัวใช่ไหมเจ้าคะ่ะ <ออ S 2> ตอนนี้เริ่มปิดไฟให้มืดแล้วว่นเช้าเดินจงกรมแล้วปิดไฟให้มืดแล้วมีแค่แสงนิดเดียวเงี้ยเริ่มกลัวแต่ก็มันมันก็มีวายเจ้าค่ะพระอาจารย์คิดว่าพระพุทธเจ้าเดินอยู่ข้างหน้าเรามีพ่อแม่ครูอาจารย์มีพระอาจารย์เดินอยู่ข้างหน้าเราแล้วเราก็เดินตามหลังท่านไม่ต้องกลัวอะไรแล้ก็เดินต่ออย่างมากก็แค่ตายอย่างมากก็แค่ตายคิดว่าอย่างมากก็แค่ตาย เจ้าค่ะแต่ก็ก็ ก, ก็ได้หน่อยทอี่เชื่อข้าพาจ้าเพราะว่าเหมือนความกลัวตรงนั้นมันมันก็หายไปเลยเจ้าค่ะมคิดว่าเราเดินตามพระแม่กุอาจารย์อยู่อย่างนี้เจ้าค่ะแต่ต้องคิดว่าต้องต้องตายใช่ไหมเจ้าค้าพาาเจ้าจะให้ทุกเจ้าจะไม่ญญให้ทุกไม่ให้ลกลัวอะไก็ยอมตายไปเลยตายเจ้าค่ะน้องน้ อ, นอไปปฏิบัติเจ้าค่ะน้องข้าพเจ้าค่ะคุณเจ้าค่ะอ่าคุณมานิกาเชิญมานิกา ร้อมกับนักการศึก ษ, ก ษ, กษาค่ะอาจารย์ก็เข้ามาเลือกฟังธรรมนะคะพระอาจารย์ก็เลือกการปฏิบัตินั้นเลิกปฏิบัติอยู่นะคะอาจารย์แต่ว่าบางทีก็ถูกก ด, ดทดสอบแต่แต่ครั้งนี้นั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบอารมณ์ค่ะอาจารย์ก็แต่ว่าก็ก็โอเคก็ตามทันอยู่ค่ะอาจารย์แ่ทท่าน ให้รู้ทันแล้วปล่อยวางเฉยๆอย่าไปวุ่นวายกับมันเจ้าข่าวอาจารย์โอเคนะไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีเจ้าข่าวอาจารย์่สองสองแม่ลูกขายไปแล้วนะติดต่อกันอีูว่าไม่สบายเจ้าข่ายไม่สบายเลยเอ้าวสามไม่สบายไม่สบายไปโดนฝนค่ะอืมช่วงนี้เขาว่าใข้หวัดใหญ่มันระบาดนะ่ะเป็นกันเยอะค่ก็เมื่อสองอาทิตยแ์แล้วก็เมื่อตอน ตอนเช้าก็โทรถามอยู่ก็ก็เบอกว่าไปโดนฝนมาแล้วก็ไม่สบายแล้วถามว่าไปหาหมอไหมไม่ได้ไปหาหมอแต่ะเขาบอกว่าเออถ้าเอย่างนั้นก็ในการธรรมะโอสถไปแล้วกันก็อวก็ก็หัวโดวแล้วก็บอกว่าอขอนอนก่อนเนาะอ่าดีจะได้ฝึกสู้กับเวทนาไปได้ปล่อยวางเวทนาได้เอาเลยเดี๋ยวหนูจะไปบอกให้นะคะป้าจางอ่าดี เป็นเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าต้องสู้ไม่ถอยนะดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างโอเคไปที่ลักซมเบิกคุณปุ้ยกรรบน้ำพสการเจ้ากาบาจานวันนี้คุณปุ้ยมารายงานตัวค่ะมามถวายบุญกับพระจารย์เจ้าค่ะเออโยมโก็ปฏิบัติ เอ่อทุกวันถือสีนพยายามถือสีนแปดทุกวันแต่บางวันต้องถือสีนเจ็ดเพราะว่าต้องออกไปนอกบ้านไปทําธุระแล้วก็เราไม่เราไม่ไม่เราไม่แต่งหน้าทาปากทั้งวันไม่ได้ไม่งั้มันจะตายหรเปล <c oughs> <อ>่าหร <c oughs> ื อ, ว, <c oughs> อว่าเขาจะหรือว่าเขาหรือว่าเขาจะให้เราเข้ารา้านเขาระบเปล่าถ้าเราไม่แต่งหน้าทาปาก <c oughs> จะลอง่ะ Mm hmm. ประจันแหละแต่โยมก็นั่งสมาธิได้ได้เยอะขึ้นนานขึ้นค่ะแต่ mm hmm. แต่แต่มันมันมีอยู่จังหวะหนึ่งคือว่าโยมรู้สึกปวดปวดช่วงเอวและปวดช่วงออสะโพกแต่ทีนี้มันเป็นอะไรไม่รู้และแบบเป็นมาสักสองสัปดาห์แล้วตอนแรกก็กะจะไปหาหมอแล้วและทีนี้พวกก็เลยเมื่อวันพระตัดสินใจนั่งสมาธิแบบว่า ถ้าเกิดวันเนี้ยไม่ได้อะไรโยมก็ตั้งใจไว้แล้วนะว่าถ้าไม่ได้อะไรคือโยมจะกิฟต์อัพแหละทีนี้โยมนั่งนั่งไปแล้วพอออกมาจากสมาธิโยมรู้สึกว่าอาการนี้หายค่ะนี่มันคืออาการอะไรคะเราบินโยมมั น, ม, น, ม, นมันหายก็หายแย่ก็รู้แค่นั้นก็พอไม่ได้ไม่รู้มากกว่านั้นหรอกหรอเะอ่อ๋ <laughs> อทุกอย่างไม่เที่ยงดูมันเป็นอย่างนั้นมันหายก็แสดงว่ามันไม่เที่ยง อันนั้นตาเราห้ามมันไม่หาหายไม่ได้มันจะหายก็ปล่อยมันหายไปแล้วอย่าไปทุกข์กับมันก็พอนะมันจะไปรู้ไม่ต้องไปอยากรู้เป็นอะไรแนละ้วใช่ไหมช่วงเนี้ยมันจะเป็นช่วงที่แบบว่าอช่วงเวลาที่โยมถือศีลมาเนี่ยถือศีลแบบแบบแบบหนักๆมาเนี่ยตั้งแต่เดือนกรุงพาเนี่ยแต่จะมีช่วงเดือนนี้ยช่วงเข้าพรรษาเนี่ยค่ะแบบแบบโยมรู้สึกว่า ไม่อยากจะคุยเลยวะไม่อยากจะติดต่ออะไรใครไม่ไม่อยากจะดูหนังดูหนังสนใจอะไรเลยคือมันเป็นเรื่องปกติไหมฮะมันก็นดูไปเรื่อยๆครับมันจะปกติไม่ปกติไม่ตํางสำคัญดูว่ามันดีก็ไม่ดีก็พอไม่<ช>ไม่อยากถ้ามันดีก็ก็ทําไปถ้ามันไม่ดี ก, กดด็ก็แก้ไป เออเราเออมาฟังพระอาจารย์โอเคมาฟังแล้วสวดมนต์ไหว้พระเราสวดมนต์แล้วเราจิตใจดีขึ้นแต่ถ้าให้เราไปนั่งดูหนังดูนู่นดูน ύ, ดี่ดูข่าวดูข่าวอะไรเงี้ยเนอเรารู้สึกใจมันขุนขุนและใจมันรู้สึกมันเสียเวลาใช่ใจแล้ว ใ, <จ S 2> ใจเราไปทางธรรมะแล้วถือศีลแปดแล้วมันก็ ม, นกมันก็ไม่ไม่ค่อยอยากจะไปดูหนังฟังเพลงแนะใช่ทั้งทั้งที่เราก็ไม่มีใครทําอะไรให้เราเนะยอย่างบางคนเนี่ยต้องต้องกี่ต้อง เ, เขียนก็ความมาตามเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยไปคือเราก็อธิบายไม่ถูกว่าเราไม่ได้เป็นอะไรนี่หว่าท ไ, ไมเออเราก็เราก็อธิบายไม่ถูกแล้วก็ไม่อยากจะอธิบายว่าบางคนบางทีเราก็อยากจะอยู่ของเราเฉยๆอย่างเงี้ยน ะ, ะออาปฏิบัติธรรมนะมันยังไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับใครทำอยู่กับความสงหเหมือนเรามีโลกส่วนตัวอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ว่าเราหยิ่งหรืออะไรนะคะคือ เราก็ยังเป็นเราเหมือนเดิมแต่เพียงแต่ว่ามันแตกต่างอยู่ตรงที่ว่าเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะมีโลกส่วนตัวเราอยากจะใช้เวลาให้มันมีคุณค่ามากที่สุดเพราะทุกวันนี้ที่สวดมนต์ไหว้พระเนี่ยเรารู้สึกเวลามันผ่านไปเร็วเหลือเกินปั๊บเดียวมันผ่านไปแล้วปั๊บหนึ่งปั๊บนึงเนี่ยได้เดือนกว่าและเข้ากัรษานะคะแล้วโยมก็รู้สึกว่าโยมใช้เวลามีค่ามากเพราะตอนแรกโยมทาแค่สองชั่วโมงกว่า ตอนนี้โยมนั่งสมาธิแบบได้นานมากค่ะอืโยมก็ภูมิใจก็เลยจะปรับปรุงให้มากขึ้นค่ะเพราะว่าโยมพยายามแตม่มากยิ่ง ม, มาเท่าไหร่มันยี่ไม่อยากจะยุ่งกับใครมันอยากจะอยู่คนเดียวจริงๆค่ะพระอาจาราย์คะเออโยมมีเรื่องหนึ่งเรื่องจะถามว่าถ้าโยมใช้สัมมาอาระหังนี่ไม่เป็นไรใช่ไหมคะได้ใช้อะไรก็ได้นะะพุโทโธก็ได้ธรรมโ ง, งก็ได้สังโฆก็ได้ พุทธทางสนามกระฉามิก็ได้เพราะว่าโยมมีความรู้สึกว่าพอยมเองโยมเรียนพุทโธมาจากพระอาจารย์ไม่ได้เรียนจากพระอาจารย์ออกท่านอื่นแล้วโยมมีความรู้สึกว่าพอพอมันมันมันลงไปได้แล้วแบบมันเหมือนร่างกายเราไม่มีไส้ไม่มีตับไตไส้พุงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมันเหมือนกับมีรวงอะไรก็ไม่รู้อยู่การท้องอย่างเงี้ยแล้วพอเวลาเราออกจากสมาธิเนี่ยเรารู้สึกดีดีมากๆเลยอย่างเงี้ย อือฮะแต่ถ้ามันต้องดีทั้งขนดาดอยู่ในสมาธิด้วยใช่แล้วออกม uh ันจะสมาธิมันก็ uh huh. ดีช่แล้วแบบคือถามว่าไอ้อย่างเรื่องกินอย่างเงี้ยเมื่อก่อนก็เคยพิพถีพิถันนะคะแต่โยมเป็นคนกินเจย์โยมก็ไม่ได้พิถี พ, ถพิถันอะไรแล้วโยมรู้สึกว่าเฮ้ย uh huh. กินนะเดี๋ยวมันก็ต้องถ่ายก็กินไมแค่อย่างนั้นเนี่ยคือ uh huh. ทั้งนั้นนี้เราก็เป็นคนชอบทอําอาหารทําอะไรอย่างนี้แล้วเรามันไม่มีความรู้สึกใจกระตือหรือล้นตรงนี้มันรู้สึกเสียเวลาไม่ต้องมายืนทําอะไรอย่างนี้คือเอาเวลาเวนั่งสมาธิไมดีกันเหรอไ อ, อ้มันมันมันจะเหมือนกับมีอะไรมาสอนเรานะฮะเอันนี้ถูกต้องประโยชน์ได้จากสมาธิมากกว่าประโยชน์จากการได้กินได้ดื่มมากจนเกินไปต้องกินมากต้องดื่มมากเพื่อให้เลี้ยงร่างกายเราเลี้ยงร่างกาย จันเป็นน้องกินเราค่ะที่เอเอพระอาจารย์สอนบอกว่าให้พิจระพิจารณาอาสุภะโยมก็พิจารณาแต่โยมไม่ได้เอาซากศพมาพิจารณาโยมก็คิดว่าเออคนเรานีนาเนาะเดี๋ยวตายไปมันก็เน่าเปื่อยเอาอะไรมากมายดยูอย่างพ่อแม่เราตอนพ่อแม่เราเสียอย่างเงี้ยโยมก็นึกถึงตรงจุดนี้โยมก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเราก็กินเจมาตั้งหลายปีแล้วเราก็อยู่รอดมาได้ก็ไม่เห็นเป็นไรเลย แล้วมันไม่รู้สึกว่าจะหิวนะฮะตอนช่วงที่มาถือสินแปดเนี่ยไม่รู้สึกหิวเลยนะฮะแล้วมันไม่รู้สึกว่าจะแบบชอบกินจุกจิกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเคนั่นเปไรไหมยมก็จะมากราบขอบพระคุณพระอาจารย์ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็มาถวายคุณให้กับพระอาจารย์เจ้าค่ะเมียนเป็นศพมีงินใช้ในตลาดชีวิตนะ สาธุค่ะขอพระคุณขอให้พระอาจารย์ธาตุขันแข็งแรงสมบูรณ์นะ <สา S 2> เจ้าอ่ะไปที่จอยพัทยาจอยอย่าโยมขอล า, อาลได้ยินไหมคะได้ยินจ้ะของหนูก็เหมือนเดิมค่ะแต่หนูถ้าสมมติว่าเราโดนคนว่าตำหนิอะไรงนี้แล้วถ้าเรายังรู้สึกอยู่ก็แปลว่าเรายังไม่ผ่าน<อ>าใช่ไหมคะเรายังไม่ปล่อย น่าจะไม่เข้าใจว่าเราห้ามเขาไม่ได้เรายังอยากให้เขาพูดดีๆกับเราอยู่ค่ะเพราะว่าหนูอาอยู่แบบมันมีพี่มีน้องเยอะอยู่กันใกล้ๆบ้านกันมันก็มีแบบไปนู่นไปนี่กันตลอดนีทำไมเขาไม่ไปเหนแล้วครับพูแล้วไม่ได้เปลี่ยนเราหรอกเขาว่าเราไม่ดีเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้ทาให้เราไม่ดีหรอกใช่ไหมค่ะค่ะอ่ดีเชื่อมไม่ได้อยู่ที่คําพูดของคนแล้วมันอยู่ที่การกระทําของเราอ่ะ อคิดให้เป็นไม่ใช่เฉยๆได้ค่ะหนูพยายามเอามาอสอนตัวเองอยู่เพ้าว่าเราเป็นควายเราเป็นควายหรือเปล่าไม่เป็นค่ะเราไปตื่นเต้นตกใจกับคําว่าควายทำไมเหมือนที่คนที่ที่ของฟองเทสเขาที่พักบอกว่าแบบคุณตอแหลแล้วเหมือนเขาโกรธ ใ, ใ, ใช่ไหมคะอันนั้นใช่ั้นไหมคล้ายๆกันใช่ไหมคะอันนั้นหมายถึงว่ายังมีความโกรธอยู่ แต่คิว่าไม่แต่คิว่าไม่มีแล้วพอไปกระทุ้ง้าหน่อยก็เลยโกรธขึ้นมาทันทีอ๋อ <c> ฮ <oughs> เป็นเหมือนเป็นต้องมันต้องต้องให้ใจมันหนักหนักแน่นถึงจะูถึงจะรู้ว่าจริงหรือไม่จริงใช่บางทีเราไม่มีใครมากระทบเราเราก็เลยเสพว่าเราไม่โกรธใช่แล้ว <c oughs> ใช่ใช่ห <c oughs> ลวงห <c oughs> ลวงพ่อท่านอะไรเรากระทุ้งอยูอ่ไหนตอนแหนนั่นเคลื่อนเลย <c oughs> รู้สึกเลยว่าอาเรายังไม่ยังไม่วางจริงใช่ไหมครับอ่ใช่บางครก็พูดอะไรไม่ดีหน่อยแล้วก็คิดถึงเช้าถึงเย็นเลยก็พูดตอนเช้าตอนเยน็นยังคิดอยู่นั่นใช่คนพูดไปแล้วแต่เรายังคิดอยู่เลยใช่ไหมอ่ใช่เ ข, ขาลืมไปแล้วก็พูดอะไรเสียงได้ฟังไปแต่เราไม่ลืมอา่าคะหนูจะไปใส่บานแต่เดี๋ยวบรรพะหนูไปใส่บานมันจะมองเขาว่ามันเหมือนเสียงฝนตกฟ้าร้องห้ามมันไม่ได้ค่ะ มันจะถตกป้าจะร้องแล้วห้ามมันไม่ได้ปล่อยมันร้องไปปล่อยมันพูดไปค่ะเออแล้วหนูสอบผ่านการใส่บาตรอ่ะถ้าเราใส่บาตรให้คนที่เราไม่รู้จักก็ได้บุญเหมือนกันใช่ไหมคะไม่ใช่บุที่บุญแล้วว่าเขาใสใช่ใช่ใส่แเขาเราเหมือนกับว่าหนูก็ใส่บาตรลหลวงพ่อแล้วหนูอดววิญญาณทั้งดวงวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงเลยใช่ค่ะเออตอนนี้มีขอาวตำรวจหนูก็อยากให้ตำรวจคนไหนก็เลยแบบ ก็ได้ไปเขาได้นั่นแหะหือก็คิดว่าหนุมไม่ใช่ญาติเขาได้ไหมก็ไม่รู้อยู่ที่เขาจะมารอรับหรือเปล่าค่ะางข่าวแล้วก็บได้แต่เขาจะรับหรือไม่รับก็อีกเรื่องค่ะค่ะขอบคุณค่ะสากุก่าไปที่เชียร์โคลาเชียร์องแกบน้องพักการพะอาจารย์เจ้าค่ะ คำถามเดียวนะคำถามเดียวนะนี่ไงถามเดียวมีหลายคำถามนะอ่าลองดูเออพอดีพอดีอดทำสมถะเยอะขึ้นแล้วเดี๋ยดี๋ยวว่าเดี๋ยวรอาถามครั้งอื่นเจ้าค่ะแล้วก็พอดีพอดีมีอารมณ์เบื่อแล้วก็เลยก็ไม่รู้ทำไงก็เลยนั่งดูๆไปแล้วพอดีมันเห็นมันเห็นรู้ที่ไปเห็นอารมณ์เบื่อแล้วมันก็มีรู้อีกตัวที่มารู้ตัวแรกแต่ว่ามันเป็นคน คนละรู้กันนะคะไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นรู้เดียวก็ก็รู้สึกว่าเห็นอันิีจังแล้วเพราะว่ามันวิญญาณขันมันก็เกิดจับแล้วมันเห็นอยู่แค่แป๊บเดียวอยู่ประมาณสี่ห้ารู้ค่ะแต่ว่ารู้ตัวสุดท้ายมันเป็นมันยังเป็นตัวเราอยู่อะค่ะก็เลยอยากจะเดียนถามพระอาจารย์ว่าแล้วว่าจะมองยังไงให้เห็นอนัตตานเขาว่ามันไม่ใช่ตัวเราแล้วแล้วทีนี้ไอ้ตัวก่อนก่อนสุดท้ายมันมีสังขารแทรกขึ้นมาก็เลยสงสัยว่า สังขารนี้มันเป็นเจตสิกมันมันมันออกมาจากวิญญาณขันไมยเจ้าคะเจตสิกมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราเนาะมันจะออกมาจากที่ไหนก็ไม่สำคัญให้รู้ทันมันแล้วก็ปล่อยวางให้รู้ว่าเป็นตายลักก็พอเจ้าคะ คือไปวิเคราะห์มันออกมาตรงไหนมันไม่สําคัญประเด็นไม่อยู่ตรงนั้นประเด็นก็คือเราจะปฏิบัติกับมันยังไรก็คือต้องต้องปล่อยวางมันว่าะมันเป็นตายรนะับอย่าไปยึดอย่าไปติดถ้าไม่อยากจะทุกข์กับมันแล้วแล้วตัวสุดท้ายที่เรายังเห็นว่าเห็นว่ามันยังเป็นตัวเราที่ดูอยู่ตัวสุดท้ายก่อนที่วิปัสสนานจะหายไปอย่างเงี้ยต้องทํำยังไงให้เห็นว่าไม่ใช่ตัวเราอะค่ะมันรู้เฉยๆไปอย่าไปทําอะไร อ๋อแล้วคำถามสุดท้ายแล้วเจ้าค่ะที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าให้ให้ย้อนทวนกับเข้ามาดูที่ตัวรู้อะเจ้าค่ะมันย้อนยังไงเหรอเจ้าค่ะก็ย้อนดูที่ใจตัวรู้ว่ามีอารมณ์หรืเปล่าไงโกรธหรือเปล่าเสียใจหรือเปล่ายินดีน้อยหรือเปล่านั่นให้ดูใจเราไปถ้ามันเพราะมันมันอยู่ที่ใจเรา อารมณ์หนักามมันเกิดที่ใจเราถ้าเราไม่มองที่ใจเราเราจะมองไม่เห็นอารมณ์เราก็จะไปโทษคนนั้นคนนี้ว่าเขาไม่ดีเขาพูดไม่ดีเขาทำไม่ดีกับเราจริงที่เราทุกข์เพราะเราไปอยากอยากให้เขาทำดีกับเราเขาก็ไม่ทำดีกับเราเราก็เลยทุกข์ให้ดูที่ใจเราแล้วเราจะได้มาแก้ที่ใจเราไม่ต้องไปแก้ที่คนอื่นขอบค่ะ มันไหมหมายถึงความหมายอยู่ตรงนั้น oh, <God. S 1> ดูใจเราดูใจเราอย่าให้มันโกรธอย่ามาให้มันโลภให้มันเฉยเฉยแต่มันโทษมันทุกข์ก็ต้องหาวิธีดับมันใช้ปัญญาแล้วใช้ใช้สติดับมันไปนะแต่มันจะเข้ามาได้จริงๆต้องนั่งสมาธนะิการนั่งสมาธินะี่เป็นการดึงจิตให้เข้าหาตัวจิต เพราะตอนนี้ตัวจิตมันถูกกิเลสดันออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยเราเลยต้อใช้การนั่งสมาธิหนึ่งมันเอกจากรูปเสียงกลิ่นรสให้กลับเข้ามาในจิตอีกทีนึงพอมันได้สมาธิรักที่นี้มันก็จะเห็นในการต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตหาใจนะข่าวของคุณพระอาจารย์ตกอ่ะไปที่ปัญจาต่อ พัศการค่ะพระอาจารย์ได้ยินไหมคะได้ยินจ้ะอาทิตย์นี้ไม่ไม่มีคําถามอะไรเท่าไหร่ค่ะหนูแค่มารายงานอาทิตย์ที่แล้วหนูถามพระอาจารย์เรื่องปฏิจจสมุปบาทไปแล้วก็เดี๋ยวก็ไปเปิดรีเพลย์ฟังอีกรอบหนึ่งอะไรนะคะ mm. แล้วหนูก็คิดว่าหนูเข้าใจแล้วก็หนูก็มาคอยสังเกตว่าเออจริงด้วยสิ่งที่แบบเวลาที่เรารู้สึกว่าอะไรมันแย่ๆเกิดขึ้นกับเราอะ่ะมันเป็นเพราะแบบ เหมือนเราไปปรุงแย่ๆเอาไว้แล้วเราก็เลยคอยเห็นแต่แบบสิ่งที่มันแบบพิสูจน์ว่าแบบสิ่งที่คิดเป็นเรื่องจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยพอพอเวลามันมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นหนูก็พยายามมองว่าแบบเออมันมันแค่เป็นปัจจัยกันมันมีนู่นมีนี่มีนั่นทําให้หนูทําให้สิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นอยู่นะตรงนี้มันไม่ได้มีใครที่ไหนมาทําอะไรอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็มันมีเหตุมีมีผลมาก็ะทบกันไปกระทบกันมา <c oughs> หนูก็คิดไปแบบนั้นซึ่งมันก็ดีค่ะมันสงบแล้วก็รู้สึกว่าไม่ไม่โกรธไม่ไปโทษนู่นโทษนี่อะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> ทีนี้หนูก็มีความรู้สึกว่าเออเหมือนเหมือนมันยังแอบไม่พอ <c oughs> หนูรู้สึกว่ามันมันก็คือเหมือนแค่เรายอมรับกรรมแต่เราไม่ได้หยุดมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แล้วเ <c oughs> มื่อวานนี้หนูก็เลยลองทริคใหม่ว่าหนู หนูรู้สึกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นเพราะหนูว่าปรุงเองหนูไปปรุงอะไรในแง่ลบอะไรอย่างนี้ค่ะเมื่อวานหนูก็เลยลองแบบพอดีที่เริ่มคิดละอะไรที่ลบๆขึ้นมาหนูก็แบบหยุดอะไรอย่างเงี้ยแบบตะโกนตัวเองแบบว่าตัองในใจนะคะยุดอย่าคิดอย่าคิดอย่าคิ ด, อ, คดอะไรอย่างเงี<ม>้ยค่ะซึ่งรู้สึกดีมากเลยคะ่ะพระอาจารย์เมื่อวานเป็นวันแรกที่รู้สึกว่าแบบทํางานทั้งวนันมีชีวิตอยู่ทั้งวันโดยที่ไม่ปล่อยให้ตัวเองไหลจินตนาการอะไรก็ไม่รู้เป็นที่ปกติหนูจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อะไรรู้สึกว่าเอออลงทรามีสตินะครับความคิดปรุงแต่งโดยเฉพาะพวกที่เป็นอกุศลทั้งหลายก็หยุดมันอย่าไปคิดตามมันทีนี้หนูก็ได้ยินมา่กี้ที่เอท่านอื่นๆถามว่าคือฟังดูแล้วเหมือนสติมันไม่ได้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วเราจะจะชลาใจได้ว่าเอ้อเรามีสติแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมันต้องคอยเติมอยู่ตลอดใช่ไหมคะก็คือหนูก็ มันคอยนักสมาธิยังมันยังไม่เป็นอัตโนมัติหลัไปมันเป็นอัตโนมัติเราก็ไม่ต้องคอยเติมเพราะมันเติมมันเติมมันทํางานตลอดเวลามันไม่เพลิเลยอืมโอเคค่ะอันนี้ชื่อจุดเพิ่งเริ่มต้นก็ต้องคอยสร้างสติเรื่อยๆอันนี้ยังนมลูกลูกคาอยู่ใ่แล้วแล้วก็หนูเพิ่มศีข้อหกเพิ่งเริ่มเมื่อวันอาทิตย์นี้ค่ะลองไม่ลองไม่กินข้าวหลังเที่ยง ก็วันอาทิตย์ทำได้ปรากฏว่าวันจันทร์ทําไม่ได้วันจันทร์มีเรื่องที่ทําให้ไม่สบายใจแล้วมีความสึกว่าแบบกินข้าวแล้วจะทำให้มีความสูงหนูก็เลยกินข้าวแล้วก็เมื่อวานนี้วันอังคารก็เกือบจะหลุดอีกเหมือนกันค่ะคือไปยืนเปิดตู้เย็นแล้วแล้วก็มองมองแล้วหนูก็กำลัคิดในใจว่าแบบกันเนี่ยก็เป็นใชอย่างเงี้ยแบบแล้วก็ไม่มีสัจจะก็คิดว่าจะทําแล้วก็ไม่ทําอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็มานั่งแบบก็เปิดตู้เย็นมองแล้วก็ถามตัวเองหิวจริงจริงเหรอหิวหรืออยาก อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบเออจริงด้วยไม่ได้หิวซะหน่อยจริงมันแค่แบบอารมณ์ไม่ดีทําอะไรดีกินข้าวแล้วกันอะไรแบบเนี้ยเหนื <laughs> หนกันเลยเมื่อวานรอดเดี๋ยววันนี้ลองดูอีกทีว่าจะรอดไหมค <laughs> ่ะอ่าก็ต้องพยายามฝึกไปเรื่อยๆใหม่ๆก็ชนะบ้างแพ้บ้างอ่ครนูขอมีคําถามสุดท้ายอีกคำถามหนึ่งได้ไหมคะข อ, อะําให้เพื่อนเอ่าเพื่อนหนูเป็นคนคริสค่ะเอ่าแต่แกลับว่าเป็นคนไทยอยที่นี่แล้ว ก็นางก็มีลูกสาวแล้วนางซื้อ iPad ให้ปรากฏว่านางก็บอกลูกสาวว่าเอออย่าเอา iPad นี่ยไปเล่นในสระว่ายน้ำนะเดี๋ยวมันจะตกน้ําปรากฏว่าลูกก็ไม่เชื่อแล้วลูกก็ทําตกน้ําจริงๆแล้วนางก็มาเล่าให้หนูฟังว่าสิ่งที่นางเสียใจก็คือ1ทําไมลูกไม่ฟังแล้วก็2คือทั้งนางที่ลูกก็ขอโทษแล้วทําไมนางถึงยังหยุดคิดไม่ได้ทีนี้หนูก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเพราะนางเป็นคนเครียดหนูก็ ไม่อยากจะพูดจาในแนวพุทธศาสนามากเกินไปคือหนูจะแนะนำยังไงให้มันฟังดูเป็นกลางๆให้นางแบบอยากให้อยากให้มันไปตามความอยากของเขาไงผมไม่เป็นมันก็เลยโกรธมันก็เลยคิดอยู่นั่นมันต้องมองว่ามันเป็นเป็นสิ่งที่เราอยากไม่ได้มันเราไปอยากให้ฝนไม่ตกแล้วมันตกแล้วเราก็ล้วก็ไปโกรธฝนอย่างเงี้ยมันก็แบบเดียวกันนะบอกว่าต้องมองลูกเขาว่าเป็เหมือนธรรมชาติ ไม่มีตัวตนเราบอกเขาแล้วเขาจะเชื่อเราไม่เชื่อมันก็ เ, เรื่องหนึ่งเขาจะทำอะไรไม่ทําอะไรก็ เ, เรื่องหนึ่งเราไปควบคุมบรคัเขาไม่ได้อครับ เ, เขาก็มีความอยากของเขาเขาอยากจะเล่นของเขาก็อยากจะเพิ่มเพิ่มเขาว่าเขาก็คิดว่าเ ข, า, ข, า, ข, า, ขาจะควบคุมได้ไม่ให้มันตกได้แต่เขาก็ทําไปแล้วมันก็พลาดจนได้อ้เราต้องยอมเขายอมหยุดเย็นยอม อย่าไปอยากให้เขาเป็นไปตามที่เราต้องการเพราะมันจะทําทให้เราทุกข์<ม>เราบอกก็ได้สอนก็ได้แต่เขาจะทําทตา่างหรือไม่นี้ก็เป็นเรื่องที่เราหากก้ามเขาไม่ได้ต่างเขาไม่ได้ะให้ปล่อยวางวางเรา<ม>ก็จะไม่ทุกข์เราก็จะไม่โกรธเขาเข้าใจไหมขอบคุณค่ะพระอาจารย์หนุไปเปิดให้นางฟัง อ, อยู่ฟรนด์เพื่อให้นางรีเลย์ตรงนี้ โอเคเหมืน<ข>อนฝนตก<ร>ง <ขอ S 1> ดด อ, ดออกนะเราไปสั่งก็ไม่ได้ฝนจะตกงดดจะออกนี่เราสั่งไม่ได้โอเคนะขอบคุณค่ะพราจาย์ถ้าทันตรงเ <Okay. S 2> นี่ยไปที่คุเงเชิญคเองพทัทยาไม่ได้เข้ามาแล้วเข้ามาไม่ทันเ <laughs> ข้ามาทันนคพระอาจารย์พดีจ่องอยู่กับพระอาจารย์กราบสรรสการแต่อาจารย์ค่ะ ก็มารายงานคดีใจที่ส่งแปดได้แล้วก็วิทยุไปให้แม่ฟังแล้วก็แม่บอกว่าที่จริงมแม่พูดโทรพูโทรประจําตอนที่เข้าห้องผ่าตัดอ่ะนึกว่าจะตายก็ท่องพูดโทร<ม>ทุกวันนี้มแม่ก็รอดมาได้เขาบอกเออหนูก็ดีใจด้วยที่ที่แม่อ่าได้เห็นนะคะสิ่งที่ตัวเองจะต้องเอาไปใช้อ่ะครับไอาจารย์ูก็บอกว่าแม่ เอมันมีสิ่งเดียวที่ติดตัวแม่ไปนะตอนนี้ก็คือแม่ทำเอาอย่างอื่นแม่สบายไม่แม่ต้องห่วงลูกแต่เพียงแค่ว่ายังเป็นห่วงลูกลูกอยู่เอารูปบางคนนะคะพระอาจารย์แต่ตอนนี้ก็เรื่องเข้าใจมากยิ่งขึ้นก็พอคุยเราก็รู้สึกสบายใจว่าเออจะพยายามทำให้มากขึ้นแล้วก็ฟังมากขึ้นนะคะพระอาจารย์หนูก็โอเคดีใจเพราะว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งเดียวที่ คิดไว้แล้วก็คือปรารถนาแต่ก็ไม่ได้แบบนี้เขาพอเขาอยากทำเองเขาก็โอเคเข้าใจแล้วว่าเออร่างกายนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วก็ใจเป็นแบบไหนก็มีความสุขมากขึ้นค่ะพระอาจารย์เราเราได้เห็นแม่แบบว่าเออเข้าเริ่มเริ่ ม, เ ร, ม, เ, รมเริ่มที่จะ เ, ออเข้าใจในสิ่งที่ เ, ออเราบอกตอนแรกๆก็คือ ไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่อันนี้ครับอาจารย์ mm hmm. ก็เป็นความดีใจครับอาจารย์ก็คืออ่ที่เห็นแม่ในพูดออกมาเพราะว่าปกติแม่จะไม่ค่อยไอ้ น, นี้เท่าไหร่แต่ที่จริงก็กท่านก็เป็นคนดีนะคะคะอาจารย์เพียงแต่ว่ารักลูกรักหลานมากเกินไปนะคะค่ะก็ในส่วนนี้ก็มีอะไรก็ส่วนของหนูก็พยายามปฏิบัติต่อไปครับอาจารย์อแล้วก็สุด สวดมนต์ไหว้พระต่อไปครับเพราะว่าที่จริงแล้วหนูก็โอเคสวดมนต์ไหว้พระจริงๆเลยที่ทําให้มีสมาธิแล้วก็มีสติมากยิ่งขึ้นครับอาจารย์ก็จะไม่ให้ขาดเดี๋ยวให้ทำํำมาให้ขาดครับอาจารย์แล้ ว, ก, ว, วก็นั่งสมาธิต่อด้วยองสวดมนต์ไหว้พระเสร็จก็นั่งสมาธิต่อค่ะอาจารย์แล้วก็รู้สึกว่าเวลาทําอะไรก็คิดได้ก็คือพุโทโธพุทโธบางทีก็หลุดไปนู่นไปนี่บ้างครับอาจารย์ จิตเนาะมันมันเหมือนลิงอ่ะครับอาจารย์ใช่ครับก็พยายามที่จะดึงกลับมาแล้วก็พอรู้สึกตัวก็คือกลับมานะคะแล้วก็อาปฏิบัติต่อไปครับพระอาจารย์ตอนนี้หนูก็จะทํานั่งสมาธิต่อครับพระอาจารย์ค่ะดีมากดีมากครับอาจารย์นี่เลยค่ะคุณจอยคุณปางวไงเป็นงานงานใหม่เป็นไงเหมือนวานเก่าอ่ะ ต่ <c oughs> เหมือนกันค่ะแต่ว่าต้องไปเรียนรู้ซิสเต็มเขาใหม่ก็ยังรู้สึกปวดหะะัวนี่ยค่ะเพราะว่ามันของเริ่มของใหม่หมดทุก อ, อย่างวันแรกกลักบกลับถึงบ้านสี่ทุ่มแล้วก็แล้วก็กว่าจะทำํำนู่นทํานี่เสร็จนั่งสมาธิเลยค่ะปรากฏอีกวันหนึ่งอีกวันหนึ่งไปไปใส่บาตรพระอาจารย์ไม่ทันพระอาจารย์ขึ้นรถแล้ว <c oughs> ได้ใส่สอคมงงแต่ว่ารู้สึกว่าเดินเซ๊ะค่ะเหมือนเหมือนเราจัดตารางไม่ค่อยดีวันนี้หนูก็เลย กลัใหม่ก็คือหนูนอนให้เต็มอิ่มก่อนแล้วก็แล้วก็ใช้วิธีใหม่คือโอนโอนเงินผ่านเข้าบัญชีค่ะ<ม>เขากลับมาบ้านก็มานั่งนึกว่ามานั่งดูเวลาค่ะว่า อ, อ๋อถ้าแวะไปวัดแป๊บนึงก็น่าจะทันเพราะว่ากว่าจะเข้าเวรอะไรเงี้ยปก็ก็ทันทันเวลาอยู่เพราะว่าศึกษาสเส้นทางเรียบร้อยแล้วก็ทุกทุกครั้งอะคะ่ะมีสติตลอดค่ะในกนารทำงานเพราะว่า เหมืนเรียนมาสี่ปีได้วิชาเพิ่มมากขึ้นเจ้าค่ะทีนี้หนูขออนุญาตสอบถามผู้อาจารย์เรื่องการปฏิบัตินะคะหลังจากที่นั่งสมาธิได้สมถะภาวนาเรียบร้อยแล้วค่ะมันเข้าใจแล้วก็รู้เห็นถึงลมละเอียดลมอลมหยาบลมละเอียดนะคะมันก็จะมีบางช่วงที่เมื่อที่ผ่านมาค่ะเวลาที่เรานั่ง น, น, นั่งแล้วเข้าสู่ลมละเอียดแล้วมันก็จะไปมีช่วงถึงที่ เหมือนกับมันไม่หายใจไม่เจ้าคะมันมันรู้สึกว่าเรากําลังจะหายใจไม่ออกไงค่ะแต่ว่าก็เมืนที่เยนมาก็ใหรู้เฉยๆอะมันก็มีหนูพยายามจะทําแบบนี้มากเลยนะแต่ก็คือพยายามรู้เฉยๆแต่ปรากฏว่ามันเหมือนมันเป็นเฮือกสุดท้ายอะหนูก็เลยแบบแบบตอนนั้นเวลาจิตสงบมันก็จะเป็นเหมือนหายใจเฮือกสุดท้ายถ้าเฉยๆแล้วจิตมันก็จะแน่งอ๋อ ไม่ต้องไปตนเต้นตกใจไม่มีอะไระการปั่ปวางร่างกายปล่อยวางลมของจิตเนี่ย ถ, ถ้าเหมือนกับท่านท่านหนูจะไปเจอเคื่องสุดท้ายแล้วเนี่ยหนูหนูหนูไม่ต้อง <ใช S 2> หนูก็นั่งต่อไปได้เอให้ดู้เฉยๆไปแล้วมันก็ผ่านไปมันก็จะนิ่งสงบเบาสบายอืหนูหนูไปเจอที่นั่งสมาธิใหม่หลังจากที่ฟังเทศพระจันทร์ที่หน้าโกเตียค่ะไปตรงเอ่าลานของหมอชีวกอะค่ ะ, อะพอเสร็จแบบ อาจารย์ก็ไปนั่งต่ออีกก็ถึงตอนที่เขาต้ละคังอะ่ะเสร็จแล้วปุ๊บ ก, ก็นั่งอีกสักแป๊บหนึ่งเลยค่ะก็รู้สึกว่าตรงลานนั้นนะคะดีมากเลยครับเพราะว่ามันก็ค่อนข้างติกวิเวทอืมอืมค่ะก็จะหาเวลามาเจ้าค่ะมาฟังธรรมเพื่อไม่ให้ไม่ให้เราหลุดจากวงจรในส่วนของธรรมะเพราะว่าหนูต้องบอกจริงๆเลยว่าหนูว่าสามวันเนี้ยหนูคิดถึงพระอาจารย์กับวัดมากค่ะไม่ได้คิดถึงที่ทํางานเก่านะ จิดถึงวัดคิดถึงชีวิตในการบอกว่าอยู่กับธรรมะอยู่กับพระอะไรเงี้ยค่ะธรรมะทิ้งไม่ได้ต้องมีต้องงมีคู่คู่กับเราไปตลอดอ่ะค่ะหนูโผลเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าผู้ึกษาอาจารย์หนูรุยค่ะอืมขอบคุณพระคุณเจ้ค่ะถ้ามาไม่ได้อย่างนั้นก็เข้ามาในซูนเข้ามาฟังทางเพจก็ได้ขอบคุณเจ้าค่ะโอเคไปคุณสเลนทอน เมื่อกี้คุณจิเข้ามาเร็วออไปแล้วคุณจิ๊บพระอาจารย์ยมยุบต้องมาก่อนแล้วนะคะแต่เมื่อกี้มีสายอ า, อาจจะตัดให้ยมมาข้างหลังมาข้างหลังเรื่องคิวเรื่องคิ <c oughs> ออกไปไม่เป็นไรคะ่ะยมก็นั่งนั่งฟังทุกทุกท่านนะคะพอดีอาทิตย์ที่ผ่านมาโอ๊ยยมลืมนมัสกรารพระอาจารย์กลับนมัสการค่ะคมอาทิตย์ที่ผ่านมายมป่วยอะคะ่ะเป็นหวัดแล้วก็ไม่ไหวต้องทานยาค่ะ ถอนยาเสร็จแล้วเหมือนกับว่าคือก่อนหน้านี้เราอาจจะเป็นเรื่องงานนะคะมีงานเยอะมันก็มีเรื่องเครียดเรื่องกังวลกับงานพอตัวเองป่วยปุ๊บโยมทิ้งงานเลยค่ะพระอาจารย์ทิ้งงานมานั่งสมาธิอย่างเดียว <c oughs> <c oughs> แล้วก็มันก็เลยมันก็เลยเข้าไปได้ค่ะพระอาจารย์มันก็เลยรู้สึกดีอ่ะค่ะว่าโอ้เราเป็นเพราะเราตัดความกังวลลมก็เลยสามารถนั่งสมาธิได้หลายชั่วโมงเลยอะคะ่ะ ก็เลยรู้สึกดีอ่ะค่ะว่าเอ้ยเราไม่ได้ทําอย่างนี้มานานแล้วนั่งทีละหลายๆชั่วโมงได้อีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะอก็เป็นอย่างค่ะแต่มีคําถามนึงค่ะพระอาจารย์คําว่าจิตเข้าใน ม, มันคืออะไรอ่ะค่ะพระอาจารย์ก็จิตเข้าไปในในใ น, ในตัวจิตไงธรรมนาจิตมันมออกไปที้รูปเสียงกลิ่ น, นรสเวลานั่งสมาธิเราก็มีสติหนึ่งจิตเข้าข้างในเข้ามาที่ในตัวจิตนะี่ะเข้ามาที่ความสงบแล้ แต่มันไม่ใช่อาการเดียวกับการจิตรวมไม่ใช่ใช่ไหมคะอันเดียวกันอันเดียวกันจิตรวมว่าจิตก็เข้าข้างในแล้วไงจิตปล่อยว<ต>่าไม่เสียงกัน้อ๋อค่ะแต่การที่พัฒนาจิตไปพิจารณาคือยอมเข้าใจว่าที่ยอมเข้าใจคือเหมือนกับจิตเข้าในคือจิตไม่ส่งออกนอกจิตอยู่แต่ภายในแล้วก็พิจารณาไม่ว่าจะเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรนี้ด้วยหรือเปล่าคะ มันก็เป็นได้ทั้งสองอยา่างเมื่อตอนเราไม่พิ จ, จารณาเราฝึกให้มันเข้าข้างใรก่อนเ <ış> มื่อเร้อง้างในแล้วต่อไปเราก็จะเห็นวิจาราสัญญาสานฐานขึ้นมาค่ะอาจารย์เพราะว่าพอพอยมเริ่มนั่งไปได้พอมันเกือบจะสงบอะคะ่ะโยมก็รู้สึกว่าใจอาจจะไปคิดอยู่กับตรงที่ว่าอ๋อเดี๋ยวเราเกิดอาการนี้แล้วเดี๋ยวอาการนี้จะตามมาอ๋อตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะเป็นอันนี้ต่อมันก็ทําให้เราพวักพวงต่อสภาวะที่จะเกิดขึ้น มันก็เลยมีอยู่ไม่เกิดมันก็เลยไม่เกิดคนนิ้ยอมเปลี่ยนวิธีใช้สติอย่างเดียวค่ะพอเปลี่ยนวิธีการแล้วเหมือนมันได้ผลนะคะแล้วมันก็มันมันตัดจากความคิดที่เราปรุงแต่งว่าเออเดี๋ยวจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะพอมันตัดจากตรงนั้นปุ๊บมันก็เลยมาจดจ่ออยู่กับอยู่กับที่ลมหายใจอย่างเดียวถูกต้องมันมันเดียวมันก็จะสงบเองถ้าไปคิดแล้วมันไม่เข้ามันไม่มันจะไม่สงบมันไม่รวง ค่ะค่ะก็ก็เลยก็เลยดีใจที่ว่าเออเราเหมือนกับมีมีอุบายใหม่แม่ไม่เหมือนกับให้มันสามารถเข้าไปได้อย่างนั้ น, นะคะใช่เราเข้าใจหลักของการเข้าสมาธิเนียเมื่อก่อนแล้มันค่ ะ, ค ะ, คะแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองสามารถเหมือนกับว่าเอออย่างถ้าสมมติตัวเรานิ่งไปแข็งไปเราก็สามารถถอยออกมาเหมือนมีกําลังในการถอยเข้าถอยออกได้ได้มากขึ้นอย่างนั้นนะคะเริ่ม ก็ก็ดีค่ะพระอาจารย์ก็วันนี้ก็มีคําถามเท่านี้ค่ะออย่าไปคิดมานั่งสมาธินี้ห้ามคิดห้ามไปวิพาวิจารห้ามห้ามไปรู้ว่าจะสงบหรือยังจะอะไรห้ามให้รู้เฉยเฉยรู้อยู่กับลมรู้อยู่รู้รอยู่กับพุทโธอย่างนี้อย่างหนึ่งค่ะพระอาจารย์ค่ะจะน้อมนําไปปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องนะคะพระอาจารย์กรบตอนนี้ตอนนี้หายหรือยัง ยังยังมีไออยู่นิดหน่อยอ่ะค่ ะ, ะยังม I ีแต่ก็เป็นหวัดอะค่ะพระอาจารย์ก็ไม่ต้องไปทํางานลาลาลาอยู่ลาลาไปแค่วันเดียวเองค่ะพระอาจารย์เพราะว่างานมันทําแทนคือช่วงก่อนหน้า น, นี้ ย, ยมยงก็เลยรู้สึกรู้สึกเหนื่อยกับการที่ต้องมานั่งคอยทํางานแล้วว่าไม่สบายก็ยังต้องทําอยู่มันก็เลยเหมือนมันมีเรื่องขุ่นเคืองอยู่ในใจมันก็เลยปฏิบัติได้ไม่ค่อยดีอะค่ะแต่ <c oughs> หลังๆก็เรื่องขุ่นเคืองอีกพระอาจารย์เหมือนทีาจา่จิ๊บเล่าอ่ะค่ะ พ่าลูกกำลังจะเข้ามหาลัยเหมือนกันนั่งหมอยก็นั่งดูโอ้ของยมลูกยมอยากจะเป็นศัวะแพทย์แต่ว่าเขาเรียนสายศิลป์มาตลอดยงก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะเป็นได้ยังงี้ก็ยงก็แล้วเขาก็อยากไปเข้า UC Davis อะกับพาร์จันซึ่งโอ้โะพารารย์คาแล้วยมอยู่แมรี่แลนด์ถ้าเอาออพสเตทเรดนี่มันประมาณห้ามกว่าเรียนใช่แพงถ้าเอาอสเตทแพงค่พ์จนยงก็ม่รู้จะ ทำยังไงทําใจตอนแรกยมต้องทําใจพูดโทก่อนกลับมา <g ul ch> อย่าทิ้งม า, า, าใครใค้เขากลัวเขาไม่ค่ะแต่ยมก็ต้องบอกความจริงกับลูกว่าแม่ไม่มีปัญญา <g ul ch> <g ul ch> ให้ลูกกลับมาเถอะทํ า, ทาเไรใกล้ใกล้บ้านอย่างเงี้ยออ่อาก็รออยู่ค่ะจนกว่าเขาจะให้ลูกได้เรียนรู้ความเป็นจริงว่าลูกเรียนสายศิลป์ลูกจะเป็นเป็นสติวแพทย์มันยังยังไงอยู่ เดี๋ยวเขาก็รู้ค่ะพระอ <Okay. S 2> าจารย์ภาคกับขอบพระคุณอาจารย์นะคือเจ้าค่ะอไปที่พัทยาคุณตายตายเจนน้อมกล่ามาสการครับพระอาจารย์ได้มากค่ะก็เรียนรู้ธรรมะของพระอาจารย์ไปเรืเร่อยๆแล้วก็ลดความอยากลงให้เยอะๆเลยค่ะอถ้าช่วยได้เยอะเลยค่ะทุกอย่างม okay. มามามาเกือบสัก คือมันษาแล้รู้สึกเป็นไงดีไหมรักษาศีลรักษาอะไรดีค่ ะ, ะดีมากๆเลยค่ะพระอาจารย์ก็ทําให้เรามีสติมากขึ้นแล้วก็อยากอะไรก็น้อยลองค่ะพระอาจารย์ก็ ค, คือหมายถึงว่าอยากในรอบตัวเราก็คือไม่อยากให้คนโน้นเก่งหรือว่าเขาทําได้แค่นี้เราก็ปรองได้แค่เนี้ยเราก็อย่าไปอยากตามอย่างอื่นอะไรงเงี้ยค่ะพระอาจารย์อ่ดีดีค่ ะ, ละแล้วก็อยู่กับพระอาจารย์ค่ะ ก็อยู่ก like ับอาจารย์ก็พยายามพอลดความอยากได้ทุกอย่างมันก็เบาลงเบาลงทุกอย่างเลยค่ะ yeah. ถ้าเราไม่มีความอยากไม่อยากให้คนโน้นเป็นอย่างนี้ไม่อยากให้คนนี้เป็นอย่างนั้นแล้วก็เวลาใครทําความผิดเราก็เราก็โปรงได้ได้ง่ายแล้วก็ไม่โกรธเขาอืค่ะอาจารย์ถ้าเราไปคาดหวังกับเขาเราก็เราก็ทุกเองเสียใจใช่ใช่ค่ะ ก็หนูเบาลงเยอะเลยค่ะเรื่องโมโหเรื่องเรื่องทุกอย่างค่ะกับคนรอบๆตัวหนูวางไปได้เยอะเลยค่ะอาจารย์ใครจะอะไรก็แล้วแต่บอกแล้วถ้าทําได้ก็ทําถ้าทําไม่ได้ก็เออได้ได้ได้เท่านั้นอะไรประมาณนี้ค่ะถูกต้องถูกต้องดีมากค่ะพยายามทําอยู่ค่ะเป็นเป็นเต๋าไปช้าๆแต่ก็คิดว่าไปแบบมั่นคงค่ะอาจารย์ ดีก็ไม่ดีก็ไม่เคลื่อนไหวเลยอ่าค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะก็เข้ามารับฟังแล้วก็หนูบอกว่าธรรมะของพระอาจารย์อะขัดเกลาจิตใจหนูมันแบบได้ดีมากๆเพราะอะไรครับพระอาจารย์เอ่อทั้งนั้นที่เราไม่ได้ไปเปิดหนังสือหรือว่าเข้าไปในอพระไตรปิฎกหรือว่าอะไรหนูยังไม่เคยอ่านเลยนะคะแต่ว่าหนูฟังธรรมจากพระอาจารย์อะรู้สึกว่า มันขัดเกาีจิตใจไอ้ที่กระปุกหรือว่ามันแย่ๆนิสัยที่มันแบบอืโยมก็เป็นคนนิสัยที่สุดๆเหมือนกันนะคะพระอาจารย์แต่พระอาจารย์แบบว่าลบของลัวไปหมดเลยไม่รู้ว่าเพราะอะไรอะค่ะธรรมะทาไมถึงทําให้เราเป็นอย่างนั้นได้ค่ะเปลี่ยนได้เยอะเลยได้ธรรมะนี่แหละเป็นของวิเศษอ่ค่ะก็งวงกับตัวหนูอยู่เป็นงวงมือเป็หลังมือ ขณะโอคุลิมายังพิษจากฆาตกรมังกเมันพาอาหารได้คืนพูดทำเดียวดยที่เราไม่ต้องฝืนเลยนะคะใช่พูดตามความเป็นจริงเพราะเราเห็นความเป็นจริงแล้วเราเข้าไม่ฝืนนะฝืนไปก็ทุกข์ไปเปล่าๆใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์วันนี้ไม่มีอะไรค่ะก็พยายามทำไปเรื่อยๆค่ะโอเคสาธุ ตอ่าไปที่คุณมาเลยุทธากาศเจนกลับหวงพ่อค่ะ่ามาี อ, ไอะไระะมางมาต้องเปิดเปิดเปิดพัดลก่อนนะแมเสียงมันดังก็ไปปะยัง <หา S 1> นังอยู่<อ>ยัง ได้ยินไหมคะหลวงพอ่อได้ยินแต่เสียงอะไรขกคัดขกาหายไปแล้วโอเคมีมีฝนต่อไปนิดหน่อยคะ่ะผมก็ไปอยู่วัดมาสองวันสออาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะหลวงพ่ออืม ก, ก็ดีดี ค, ามมาค่ะหลวงพ่อไปปีเว่เว่ยไปอยู่คนเดียวเข้าใจเข้าใจว่าทำไมที่บอกว่า ต้องทาให้มากเจริญให้มากปฏิบัติให้มากเข้าใจนะคะก็แล้วก็พอเราไปอยู่อย่างนั้นนะคะเราฝึกเราปฏิบัติแบบมันใช้เวลาแบบในการที่เป็นบัดต่อเนื่องอย่างนี้นะคะ่ะพอมันได้มันเหมือนกำลังสติหนมันแน่นขึ้นมันเพิ่มขึ้นแล้วก็พอพอเราออกมาอย่างนี้นะคะ่ะหลนงพมันมัน ตอนแรกหนูไม่ค่อยเข้าใจที่หนูเคยเรียนหลวงพ่อว่าทำยังไงถึงจะเข้าใจที่เวลาเราไปมองวิปัสสนาให้มันเข้าใจเข้าไปในใจจริงๆอย่างไงนะคะพอเราไปสุกแล้วสติเราดีขึ้นสมาธิเราดีขึ้นมันทำให้เรามองเห็นออมองเห็นสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างถ้าโดยปกติเราจะมองแค่ด้านเดียวอะคะ่ะหลวงพ่อมันทาให้เรามอง มองเห็นอีกด้านหนึ่งมันก็เหมือนเหมือนหลักไตรลักษณ์ที่บอกว่ามีเกิดและด้านหนึง่งก็ต้องมีดับอย่างเนี้ยค่ะหลวงพ่อมันมันทําให้เราเห็นแล้วก็เข้าใจแล้วเรีนสองด้านแล้ค่ะหลวงพ่อแล้วก็แล้วก็ไปเห็นภาพคืุภาพที่เขาถ่ายติดไว้ค่ะศพหนูนนหนูนนเ ห, นห็นแล้วหนูแบบเราต้องเป็นอย่างนั้นใช่ค่ะหลวงพ่อเรเห็นแบบอ๋อเข้าใจแล้วค่ะว่าทำไม ทำไมถึงพอมีสติมีปมีสมาธิแล้วมันทำให้เราถึงมีปัฒนาเข้าใจได้มองเห็นอะไรได้ชัดเจนขึ้นค่ะหลวงพ่อแล้วพอกลับมาจากวัดหนูก็มาปฏิบัติต่อสติมันต่อเนื่องมันดีมากๆค่ะหลวงพ่ออย่างเรานั่งสองชั่วโมงชั่วโมงครึ่งคือสติไม่ขาดเลยค่ะหลวงพ่อมันจะนดูลมอยู่ลมก็หายลมก็เบาจน เราได้ยินเสียงข้างในร่างกายเราจิตมันก็จะไปจับสติมันจะไปจับอยู่ตรงตรงเสียงหัวใจหรือว่าชีพจรก็จะอยู่อย่างงั้นแบบความคิดอะไรสังขารอะไรเข้ามาไม่ได้เลยอย่างเนี้ยค่ะหลวงพ่ะมันหนูรู้สึกว่าโอ๊ยทําไมมันมันแน่นมันดีอย่างนี้มันมันเหมือนมันสว่างขึ้นมาอย่างนี้ยค่ะในความคิดของหนูค่ะหลวงพมีความรู้สึกว่า เข้าใจแล้วก็ขย um, ับมากขึ้นทุกครั้งที่เข้าวัดแล้วออกมาจากออกมาจากวัดแล้วมาปฏิบัติต่อทำอย่างต่อเนื่องเพิ่มเพิ่มไปเรื่อยๆเพิ่มเพิ่มเวลาในการปฏิบัติไปเรื่อยๆค่ะเพราะมันหนูอธิบายไม่ถูกคือมันเห็นความก้าวหน้าความขยับขึ้นจากเดิมทุกครั้งที่หนูไปปฏิบัติมาค่ะหลวงพเห็นเห็นอะไรที่ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งร่างกายของเราอะสุดท้ายก็คือต้องคืนธาตุหมดทุกสิ่งทุกอย่างอย่างนเงี้ยค่ะหลวงพ่อหลกเข้าใจแบบนี้นค่ะหลวงพ่อนีเข้าใจแล้วก็ต้องปล่อยวางนะไม่ไปยึดไปติดความมที่จะให้มันไปมันจะเป็นอะไรเมื่อไหร่ก็ปล่อยไปอย่าไปยึดไปติดกับอะไรค่ะ ขณะที่เราเห็นแบบเนี้ค่ะหลวงพ่อความทุกข์หรือว่าปัญหามันไม่ได้ลดน้อยลงไปนะคะหลวงพ่อมันก็ยังอยู่ของมันเพียงแบบแต่ว่าเราเร า, เราไม่ไปทุกข์กับมันก็นแล้วกันค่ะเรามันทําให้เรายอมรับแล้วเราก็อยู่กับมันแล้วก็คือรู้ว่ามันเป็นอย่างเนี้ยเป็นแบบเนี้ค่ะหลวงพ่ออืมคือหนูรู้สึกว่า แล้วใจมันไม่ถูกใจมันสบายและยิ่งปฏิบัติ ห, หนูหนูรู้สึกหนูหนูสบายใจมีความสุขขึ้นมากมากมายค่ะหลวงพ่อ mm hmm. ได้เห็นคุณค้าว่าอ๋อเข้าใจแล้วว่าทําไมถึงต้องให้ทําเยอะๆสูงเยอะๆปฏิบัติเยอะๆ mm hmm. มันจะทําให้เราเห็น mm hmm. เห็นแต่ละขั้นแต่ละขั้นมาเรื่อยๆเงนี้ยค่ะหลวงพอ่อ mm hmm. หนูเห็นแบบเนี้ยค่ะอ mm hmm. ปฏิบัติมาเรื่อยๆมันก็ยิ่งให่เห็นชัดขึ้นชัดขึ้นไปเรื่อยๆข้าหลวงพ่อดีโอเคนะมีอะไรไหมวันนี้หนูรายงานการปฏิบัติเพื่อเรียข้หลวงพ่อไม่ว่าไม่ีโอกาสไปไปเรด้วยๆเมื่อไหร่ก็ไปไปเรื่อยๆค่ะก็ช่วงเดือนเดือนหน้าเนี้ยค่ะประมาณวันที่สิบสามสิบสี่ก็คิดว่าจะไปอีกแล้วก็ยี่สิบเอ็ดถึงยีิบเก้าที่เคยเรียนหลวงพ่อก็จะไปขึ้นเขาอะข้าหลวงพ่อ <Okay. S 2> อรับทั้งนั้น อันนั้นจะได้จะได้เยอะเพราะว่าถ้าไปอยู่ที่วัดก็มีทั้งปฏิบัติแล้วก็ทํางานไปด้วยอะไรไปด้วยเนี้ยค่ะ mm hmm. ทำทำข้อวัดของทางวัดนะคะของพ่อ mm hmm. แต่ว่าช่วงที่ทํางานก็ดูดูดูลมไปด้วยหนูหนูเพิ่งจะเข้าใจว่าอ๋อการปฏิบัติมันไม่ใช่แค่นั่งสมาธิอย่างเดียวค่ะหลวงพ่อหนูก็เพิ่งจะแบบพอพอได้แต่ว่าการที่จะอยู่กับสติแบบเยอะๆนี่ยคือต้องนั่ง นั่งระยะเวลาที่มันต่อเนื่องเวลาที่มันยาวยาวนานหนูหนูเห็นว่ามันจะชัดมากขึ้นครัลวพ่ อ, อแข็งขึ้นแน่นขึ้นครับ ม, มีความสุขในการปฏิบัติครัพ่อใจจดจ่อที่จะปฏิบัติที่จะพยายามสุดขอพออย่าีมากดีมากโ okay อเคนะหลวงพ่อคะอ่ะสาธุค่ ะ, ะคุณเน่งเชิญคุณเน่งต่อ กลับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอะไรยังไงมีอะไรไหมวันนี้มีค่ะจากอ่าการสนทนาครั้งก่อนนะคะพระอาจารย์หนูเข้าใจว่าอ่าที่ ท, ที่ที่ถามพระพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องขันหานนะคะทีนี้ว่าบทสวดทําวัดเช้าเนี่ยก็จะมีเรื่องอ่ารูปปัง อ, อนิจจารูปไม่เที่ยงสังขารมิญญาอะไรต่างๆเนี่ยไม่เที่ยงและไม่ใช่ตัวตนทีนี้ว่า ซึ่งเราถูกครอบงําโดยว่าที่เราเกิดมาเนี่ยเราก็จะจ้องเจอพวกเนี้ยที่มันเป็นความทุกข์ทีนี้ว่าถ้าเราอ่ะพิจารณาอย่างเนี้ค่ะด้วยด้วยบทพวกเนี้ยค่ะแล้วมันก็เชื่อมโยงว่าถ้าเราเห็นตรงเนี้ยเป็นเป็นกองทุกข์ที่เราเห็นว่ามันเป็นทุกข์อย่างเนี้ยค่ะแล้วเราจะต้องไม่ยุดมิติดมันมันก็จะทําให้เราอะ่ะละสักกายาทิฐิได้ใช่ไหมคะคือทำมามันจะเชื่อมโยงกันตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะคือเราที่เห็น ที่เราไปทุก์ที่เราเห็นทุกก็ต้องเห็นว่าเหตุที่ทําให้เราทุกเพราะอะไรเหตงที่ทําให้เราทุกเพราะเราไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ซึ่งมันไม่เป็นไปตามที่เราอยากเช่นร่างกายเราอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่มันก็ไม่ได้เป็นตามความอยากมันก็เลยทําให้เราทุกต้องเห็นตรงนี้ด้วยต้องเข้าใจว่าความทุกขของเราเกิดจากความอยากของเราไม่ใช่เกิดจากความ ความเป็นไม่ความเป็นของเขาเขาเป็นของเขาอยู่อย่างนี้ตลอดเขาเกิดดับของเขาตลอดเวลาตั้งคายเกิดแล้วก็ต้อง ด, ดับเวทนาก็เกิดแล้วก็ดับอัญญาสังขารก็เกิดแล้วก็ดับแต่บางทีเราไม่อยากให้เขาดับ ม, มันก็เลยทำให้เราทุกข์เข้าใจไหมต้องเข้าใจตรง น, นี้ด้วยเดี๋ยวค่ะแล้ว เ, เรื่องบทสวดทาวัดเช้าอันนี้ก็เหมือนเป็นการเดินวิปัสสนาด้วยใช่ไหมเจ้าชายใช่ใช่นี่วิปัสสนา แต่บางทีแต่เรายังไม่เข้าใจวิธีว่ามันมันมันสอดมันกลไกของมันเป็นอย่างไรเหตุว่ผลมันเป็นอย่างไรทุกเกิดขึ้นได้อย่างไรกับสิ่งเหล่านี้ออันยิ่งสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้มันไม่ได้เป็นตัวทุกข์ตัทุกข์ก็คือเกิดใจเราทุกข์เพราะเราไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอมันไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็เลยทุกข์ก็อย่างนี้ไหม กลับขอบพระคุณเจ้าค่ะเจนเมตนาเราอยากให้มันสุกอย่างเดียวแต่มันเป็นไปได้ที่ไหนมันก็สลับไปเดี๋ยวสุกบ้างเดี๋ยวทุกบ้างเดี๋ยวไม่สุกไม่ทุกบ้างะเราพอใจแล้วเราจะได้หยุดความอยากอย่าไปอยากให้มันสุขอย่างเดียวมันสุขก็สุกมันทุกก็ทุกไม่สุกไม่ทุกก็ร่วมไม่สุกไม่ทุกไปมันอยากไปอยากแล้วเราก็จะไม่ทุกเจ้าค่ะกลับขอบพระคุณเจ้าค<ต>่ะเคเมื่อมีคําถามแล้วเจ้าค่ะ อคุณอภิสิทธิ์สกล น, นครข่าวนมัสการพระอาจารย์ครับพระอาจารย์มาๆอยากจะถามพระอาจารย์ว่าเออเขาเข้าสมาธิกันไปยังไงทําไมเขาใช้เวลานานจังเลยเพราะว่าถ้าเขาสามารถเข้าสมาธิไปได้เนี่ยก็ไม่น่าจะเกินหนึ่งอาทิตย์แอลเขาก็น่าจะเจอผู้บริการพูดโทพูดโทแล้วว่าเป็นใครอันนี้มันมั น, ม, นมันต้องเป็นอย่างนั้นไหมครับอ า, าจารย์ อ, อ๋อแต่ละคนมันไม่เหมือนกันหรอกมันไม่มีอะไรแ น, น่นอนนะครับอืมเราไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องของคนอื่นกังวลกับเรื่องของเราก็พอครับกขอบคุณอาจารย์ครับอ่าอบคุณครับ<ด> <ดา S 1> อันนี้เรไปเร็วหน่อยในยสิบกว่านาทีอาจารย์สายเทปไปหลายวันนะอาจารย์ตอนนี้อยูที่ไหนเพราว่าน้องเยอะแยะไปเลยน้องอนึงกดอกไม้เนี่ยๆๆๆๆๆๆๆๆ ดูไปอาจารย์อาจารย์ที่ยังไม่เปิดยังไม่เปิดไม่เลยาเปิดแล้วเป็นเป็นดอกไม้ค่ะพระอาจารย์แต่เป็นดอกไม้หน้าเหมือนเป็ดอ่าน้าเหมือนเป็ดอ่ก็เลยเห็นสวยดีเลยเอามาไว้ค่ะอยู่คอนแกนค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปทํางานเหมือนเดิมอันนี้เป็นของจริงติดอยู่ในบ้านก็เป็นภาพที่ติดยในจอ เป็นภาพที่ติดอยู่ในจ อ, อค่ะใหเอาภาพมามาใช้ค่ะค่ะรายงานการปฏิบัติว่าอแอบอาหารค่ะตอะนเย็นเพราะว่าทํางานเพิ่งเ่งเมื่อเมื่ออาทิตย์นี้ค่ะพระอาจารย์แต่ไม่ได้ทุกวันเพราะว่าทํางานเจ็ดมงครึ่งเลิกสี่ทุ่มสามสี่วันต่อกันแล้วก็รู้สึกว่าต้องต้องตรวจงานแล้วรู้สึกว่าไม่มีสมาธิตรวจงานเลยค่ะก็เลยขอกินนิดนึงนะ ปิดจัตเไปแล้วค่ะพระอาจารย์เพราะว่าเหมือนแบบตรวจงานไม่ได้เลยค่ะพระอาจารย์หิวข้าวแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ไม่ได้กินตอนกลาคืนค่ะแล้วก็พระอาจารย์คะหนูสงสัยว่าอที่อย่างแบบเวลาที่พระหรือท่านที่ปฏิบัติเราบอกว่าม า, มาชมนกชมไม้แล้วหนูเอาเหตุผลนี้มาดูช้างในยูทูบเนี่ยมันได้ไหมคะหมายถึงว่าแบบเอ้ยเหนืยเนื ย, นยก็มาดูธรรมชาติอย่างเงี้ยคะ่ะ เนือเนื้ก็พักด้วยสตินั่งพักด้วยสมาธิไปก็คือไม่ควรไม่ควรนะเป็นเหมือนเหมือนกิเลสเป็นเดินถอยหลังเลมันก็ยังไปเพิ่มรูปเสียงกินลสเยอ่อืมค่ะก็คือกิเลสก็หลอกเราใช่เนเคยเราอยากจะพักผ่อนก็พักในสมาธินั่งหลับตาพุทโธดูลมไปค่ะจะจะได้ประโยชน์แล้วก็ใช่ทางมากกว่าใช่ ก็ก็ใช้เหตุผลกิเลสเข้าข้างตัวเองค่ะพระอาจารย์พลาดอีกแล้วตอนนี้ก็ได้ได้เห็นว่าตัวเองมีแบบฝึกหัดก็คือกายกับใจเลยค่ะพระอาจารย์กายก็คือความเจ็บป่วยมันก็เห็นขึ้นไปเรื่อยๆความแก่ขึ้นไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้ก็อยู่กับมันได้นะคะพระอาจารย์ไม่ไม่ได้ไปหาหมอไปได้อะไรก็รู้ว่าเออก็ปวดหลังก็อะไรก็ แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากมีชีวิตที่ยืนยาวอะไรค่ะพระอาจารย์ตายก็ตายอยู่ก็อยู่อะไรเงี้ยค่ะไปได้แบบเราลองคิดว่าเอ๊ะถ้าเราเป็นมะเร็งอะไรเงี้ยค่ะแต่เราจะอยากจะทําอะไรไหมแล้วก็ไม่น่าจะอยากเพราะว่าถึงจะหายจากมะเร็งแล้วก็ต้องมีจังหวะหนึ่งที่เราจะต้องป่วยใหม่อ ย, อยู่ดีเราก็ต้องเผชิญภาวะนั้นอยู่ดีเอ๊ะเราจะเลื่อนไปทําไมอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็ก็ลองคิดเล่นเล่ น, ลนค่ะส่วนส่วน สนใจก็จะมีลักษณะของอ่ความถูกต้องทางโลกกับทางธรรมดูเหมือนมันจะจะไม่อาจจะไม่ไม่เหมือนกันนะคะพระอาจารย์บางอย่างเช่นเราทํางานเรารู้สึกว่าถ้าทางโลกแบบนี้เราไม่โอเคแล้วเราก็เราก็รู้สึกว่าไม่โอเคแล้วพอทางธรรมมาบอกปุ๊บเราคิดแบบเนี้ยไม่ดีอะไรเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์เหมือนคนบางคนเอาเปรียบเราอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกเซ็งแล้วก็ไปถามเพื่อนว่าแบบนี้เราคิด หรือเราเห็นกับตัวไหมที่เราคิดแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วเพื่อนก็บอกไม่คนเพื่อไปก็คิดแล้วแล้วเราก็มาถามตัวเองที่ว้าแต่คิดตอนนี้มันไม่ดีนี่นะทางทำคือว่าไม่โอเคงั้นเราเราต้องคิดใหม่แ ล, ล้วล่ะอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็ก็ต้องมาคอยคอยคอยคอ ย, คอยแก้ไขจิตใจตัวเองด้วยค่ะบางอย่างก็หาเหตุผลเพื่อมาให้ตัวเองสบายใจแต่และแต่ใจมันก็รู้ว่าคิดแบบเนี้ยไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะถ้าทางทำก็คือไม่โอเค ก็เลยค่อยๆค่อยๆสอบตัวเองไปด้วยค่ะพระอาจารย์ค่ะก็สอบตกบ้างผ่านนิดหน่อยบ้างสอบตกเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวพยายามต่อไปแล้วก็เดี๋ยววันนี้ที่พระอาจารย์บอกว่าให้อยู่กับออยู่กับสติอยู่กับการฝึกสมาธิเดี๋ยวหนูหนูจะแก้ไขใหม่ค่ะอย่าอย่าไปคิดมากพยายามหยุดความคิดแล้วก็ทําใจให้แน่งให้สงบดีก่ะ ค่ถ้าคิดแล้วมันก็เหมือนกับงงเกินหางอ่ะมันก็ไล่กันไปไล่กันมาค่ะเหมือนมันก็ไม่จบแล้วมันก็นจะวนทําไมฟุ้งซ่านไปค่ะเดี๋ยวจะพยายามแก้ไขต่อไปค่ะโอเคค่ะอีกอันหนึ่งไ ด, ได้ได้ดูหนังสือกายกยคัตตาสติได้ค่ะพระอาจารย์ทําให้เห็ น, นชัดมากว่าพอมันลงไปในละเอียดด้วยกล้องมากๆที่ฟันมันก็เหมือนไม่ใช่ฟันแล้วเราก็เห็นภาพว่า เออเราก็เรากับเสื้อผ้าจริงๆไม่ได้ต่างกันเลยนะถ้ามองลึกลงเข้าไปเรื่อยๆยะอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่เราแค่มีตัวธาตุรู้ที่ยังเป็นธาตุหลงของเราอยู่ก็เลยต้องทาต่อไปคะ่ะก <listings> ็เลยเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆค่ะพระอาจารยานะ์นี่เริ่มมีปัญญาแล้วเริ่มทไปเรื่อยๆเดี๋ยวทำไปเรื่อยๆคะ่ะแล้ววันนี้นนก็ก็ได้ที่พระอาจารย์บอกว่าไม่ไม่ควรใช้พวกนั้นมาเป็น ตรวช่วยอดูสุภาพดูกันอาจจะดูช้างก็ไปดูสุภาพเดีกัันนน้หค่ะดูไปเรื่อยๆดูไปหลายหน้าจนท้ายที่สุดโอพอก่นอนเนา ะ, ะถ้ามันมากกันไปก็ต้องหยุดน ะ, ะ, ะดูไปเยอะๆแล้วมันรู้สึกเอไม่ไหวแล้วแต่ก็ไม่ได้กลัวนะแต่รู้สึกมันแบบเอ้ยไม่ไหวแล้วเริ่มเกิดอาการเสียใจกันขึ้นมาค่ะรู้สึกแบบไม่ไหวแล้วพอก่อนอะไรเงี้ยค่ะ ก็วันนีม้มีมีประมาณนี้ค่ะพระอาจารย์ปฏิบัติไปนะาตา ท, ทุกข์ค่ะคุณเหน่งตาคุณเหน่งเหน่งอยู่ที่ไหนไมาเข้ามานานอ๋อหน่งสุโขทัยใช่ไหมอาละมัมาศการเจ้าคา่ะพระอาจารย์ใช่เจ้าค่ อ, คอโยมเข้ามาช้าพอดีเอาลูกนอนเจ้าค่ะแอบลูกมาเจ้าค่ะไม่มีอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์โยมก็ปฏิบัติได้เลยเจ้าค่ะตอนนี้ก็ ทำสมาธิสลับกับวิปัสสนาเจ้าค่ะเน่เจ้าค่ะเมื่อก่อนโยมไม่คือโยมกลัวมันจะนั่งทับกิเลสประมาณนั้นเจ้าค่ะโยมก็ไม่ค่อยอนั่งเท่าไหร่เจ้าค่ะก็วิปัสสนาไปเรื่อยๆแต่มันก็ฟุ้งเจ้าค่ะฟุ้งพอมันฟุ้งก็ต้องหยุดแล้วก็เข้าสมาธิาค่ะเจ้าค่ะตอนนี้เหมือนแบบเข้าได้เร็วด้วยเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็แบบมันมันคือมัเข้ามันของมันเองเจ้าค่ะพอมันอยาก มันจะเข้ามันก็เข้าเออบางทียอมทํางานอยู่ก็เออเข้าอ้าวก็เข้าบางทีมีคนมาว่าอะไรเราเงี้ยค่ะมันก็พิจารณาเออเดี๋ยวเห็นอารมณ์เกิดแป๊บเดียวมันก็ดับลงเงี้ยเจ้าค่ะอแต่ยังมีความแบบไม่พอใจอะไรนิดๆอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่ก็ดับใช้สติดับเอาเจ้าค่ะก็ทําไปเรื่อยเจ้าค่ะอาจารย์เดี๋ยวมีวันนั้นแฟนบอกว่าหลับแล้ว ตื่นเห็นเห็นเขาไปเล่าให้พวกที่ทำงานฟังว่าตื่นมาแล้วเห็นแม่ชีเดินอยู่ในบ้านโยบอกโอ้ยมานจะแม่ชีที่ไหนก็นี่แหละอยู่อาจจะเห็นใส่ชุดขาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยู่แถวแถวบ้านนะคะลูกก็บอกแม่ขอร้องนะอย่าเพิ่งกลนผมโยบอกโอ้ยเป็นภาระแล้วเกินอันนี้ต้องแบบบรรยามากแล้วนะค่ะ แต่ก็รู้สึกก็ว่าใกล้มันสั้นๆหน่อยก็ได้ไม่ไม่ต้องโกนแต่ใ้มันสั้นหน่อยกค่ะเดี๋ยวจะลองดูนะคะไม่รู้จะได้ประมาณไหนนะคะอืมโอเคขั้นต่อไปขั้นต่อไปเลยก็ค่ะสาธุเจ้าค่ะคุณกาโตนกาโตนอยู่ที่ไหนลองรับประกันเจ้าค่ะอ่ไม่ง่าอยู่ที่ไหนคุณกาโตน คล้องหนูอยู่นะครศรีธรรมราชเจ้าค่ะอ่าพึ่งเข้ามาครั้งแรกเลยพึ่งเข้ามาครั้งแรกเจ้าค่ะแต่ป ก, กติจะฟังฟังผ่านในเฟซบุ๊กเจ้าค่ะอ่ามีอะไรไหมวันนี้อยากจะถามวันนี้ขอความเมตตาพระอาจารย์เจ้าค่ะป ก, กติหนูอจะตรวจมล น, นะเจ้าค่ะพระอาจารย์หนูไม่ค่อยได้นั่งสมาธิแต่พอหนูมาเริ่มนั่งสมาธิก็คือมันเหมือนไม่สงบนะเจ้าค่ะแล้วก็เหมือนมันจะคันตรงนู้นคันตรงนี้แบบนี้เจ้าค่ะส่วนมันไปก่อนส่วนมันไปก่อน สวดมนต์ก่อ น, นก็นั่งในนั่งในท่าสมาธิแล้วก็สวดไปภายในใจเจ้าค่ะต้องถ้านั่งแล้วมันไม่มีอะไรกํากับใจเดี๋ยวมันก็มันก็จะมีนู่นมีนี่เข้ามารบกวนใ จ, จแล้วนั่งนั่งสมาธิอย่านั่งเฉยๆนั่งหลับตาแล้วก็วทบทโธไปแล้วว่าสวดอิติปิโสไปเจ้าค่ะใช้การสวดมนต์แทนแทนแทนพุโทโธได้แทนดูลมได้อ๋อเจ้าค่ะ เพราะว่าหนูชอบชัสบสวดมนต์ไงคะพระอาจารย์แต่แต่ให้นั่งในท่าสมาธิไปเลยแล้วก็หลับตาไปแล้วก็สวดไปภายในใจอ๋อเจ้าข่าได้ไหมจะพอ ไ, ไหจะพยายามนะเจ้าค <laughs> นืไม่ค่อยได้นั่งสมาธิแล้วแบบเวลาพอนั่ g สมาธิแล้เจ้าข่าพระอาจารย์ชอบหลับไงน <laughs> ะ <laughs> ชอบหลับวะคะ่ะถ้านั่งเฉยเฉยจะไม่จะหลับต้องนั่งแล้วสวดต้องมีอะไรสวดสวดได้ค่ะ ส่วนกลัวอินทีย์โสส่วนบทที่เราเข้าทำได้อยากไปเปิดหนังสือค่ะ่ะเอส่วนในพนัใจหลายๆรอบส่วนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเลิกจะเลิกนั่งสมาธิแล้วก็หยุดเจ้าค่ะเดี๋ยวหนูจะลองปฏิบัติดูนะเจ้าค่ะว่าได้ขอขอความเมตาตาพระอาจารย์แบบช่วยแนะแบบนำว่าหนูจะทํำยังไงดีอะไรแบบเนี้ค่ะเพราะว่ า, าที่แบบสวดบนเป็นยาทาวิปัสนาอะไรอย่างเงี้ยที่เขาบอกแบบ ถ้าวิปัสนามันฝึกภายในจิตใจมากกว่างไงเจ้าคะ่ะหนูก็ว่าเอออยากจะได้ปฏิบัติจริงๆเจ้าคะ่ะอ่าแน่น่นะนั่งสบายที่ไหนใช้การสวดมนต์แทนพุทโธได้แทนดำลงใจได้ค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์นะถามดามูแล้วคราวหน้ามาเล่าให้ฟังนะว่าดีไม่ดี <laughs> ได้ค่ะพระอาจารย์แ ห, หนูจะลองปฏิบัติดูนะเจ้าคะ่ะว่าว่าแบบได้มีพระอาจารย์ได้ปลดเมตตาแบบ แนะนำให้หนูหน้อยเลยรแบบนี้ยเจ้าค่ะก็สวดไปก่อ น, นถ้าอยากจะอยู่สวดก็เราหันมาดูล ม, มต่อก็ได้เจ้าค่านะเจ้าค่ะพระอาจารย์โอเคสาธุข่านามัต ร, รการนะคะพระอาจารย์รักษาภาพขันได้นะเจ้าคะอ่าโอเคแล้วนี่เป็นที่คุณคุณจุบมีคําถามไหมคุณจุ๊บใกล้จงหมดเวลาอ่าไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์ค่ะโเค่ะ ถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรก่กเวลานะสำหรัคอบอคืนนี้ก็ขอให้ท่านจะนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณานะไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ